ตอนนี้ที่สวนมีทั้งหมดกี่คนเจ็ดะคเจ็ด้ะคะเจ็คนมีที่อยู่อยู่ประจาก็จะมีน้องสองน้คุณแม่ชีจ้ะคะน้องเขากะวนาบวชเป็นสาวหนึ่งจ้ะคะเป็สองคนประจําจ้าค่ะคุณชีเป็นสาวเจาค่ะน้องนงระถาจอเจ้าค่ะแล้วก็มีคุณแม่มีที่มาอยู่ประมาณสองาทิตย์สองอาทิตย์จ้ะคะ เราที่ท่าเต้มีเป็นหลังๆเลยเจ้าค่ะต อ, ตอนนี้เตรียมสร้างเพิ่มหมดแล้วครับอาจารย์เห็นแล้ว่าช่างไม่สบายอยู่ตอนนี้ก็เลยตอนนี้จะสร้างเพิ่มอประมาณสามสี่หลังครับอาจารย์ตอนนี้มีทั้งหมดกี่หลังนะตอนนี้มีทั้งหมดสิบเจค่ะสิบหลังแต่ว่าเดิมเดิมกุฏิเดิมเนี่ยจะเป็นห้องพักคู่เจ้าค่ะแล้วก็ลูก เ, เคยมา ศึกษาพอหลวพ่อบอกก็อยากให้เป็นเดี่ยวๆทีนี้ตอนนี้ก็มีเดี่ยวๆประมาณสามห้าห้าหลังเจ้าค่ะทีนี้กปรตีที่จะทําเพิ่มก็จะเป็นเดียวเจ้าค่ะแล้วก็ห่างเหมือนที่หลวงพ่อบอกจะมีห้องน้ำเมนตัวนะไม่มีนะแต่ว่าอยู่ใกล้ๆเจ้แต่ว่าจะให้อยู่ใกล้ๆเจ้าค่ะเหมือนเหมือนที่นี่เจ้าค่ะมีห้องน้ำหลายหลายแห่งแลาวหาที่แล้วไม่อยู่เยอะจะมีพระณสามจุดครับอาจารย์ในสวนสามจุด มีที่อาบน้ำมีที่อะไรได้มีเจ้าค่ะห่างกันสักสักกี่เมตรยี่สิบ0ามสิบเมตรถ้าเกิดถ้าเกิดของใหม่ก็ประมาณยี่สิบสาสิบเมตรก็พยัน่กว้างนะกว้างจ้าค่ะยังมีเนื้อที่ที่กว้างกว้างอยู่อีกอีกหลายจุดนะเจ้าค่ะลูกก็เลยบอกคนต่อว่าเราก็จะหาจุดใหม่เพิ่มจ้าค่ะที่ไม่ไม่ไม่ใช่จุดเดิมจ้าค่ะ เพราะว่าเมื่อรอบวันแม่ที่แล้วเจ้าค่ะที่พักไม่พอแต่ว่าตอนนี้ก็มีโยมร่วมบุญมาสามสาหลังสามหลังแล้วเจ้าค่ะหลังสักเกือบหมื่ะสองหมื่นใช้จริงไม่ถึงกับมันสองหอาจจะเหลือก็เป็นของพ่อเมมติหกเขาร่วมมาสามหลังหกหมืนก็อาจจะได้สี่หลังสี่หลังอย่างนี้เจ้าค่ะแต่แต่ว่าสามหลังก็คือทุกหลังจะมีทางเดินจงกลมทางออต่อหลังไปเลยครับอาจารย์ ที่กันเราจะไปทําห้องน้ําแทนก็ไันเลยที่เหลือออค๋อห้องห้องน้ํามีคนจะร่วมใหม่รั่วเลยที่ <บา S 1> นั่นะน้ำไฟก็ถึงน้ํามีไฟแล้วน้ำเป็นน้ําบ่อไฟก็ก็ได้ถ้าไฟเดือนหนึ่งเดือนที่แล้วพันกว่าบาทเงียบอาจารย์ตั้งเดือนอแต่น้ํำนี่ไม่มีน้ำประปาะมีครับแต่ว่าเป็นน้ําบ่อใช้น้ําบ่อไปก่อนครัอาจารย์ถ้าเกิดว่า มันไม่พอวันหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องขอหน้าประปลาพอดีว่าพึ้นขอป้านลูกที่ไปเออก็เลยก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวได้น้ำบ่อนเนี่เราก็ใช้เครื่องปั้มสูบสูบแล้วก็ส่งไปที่ห้องน้ำเลยใช่จ้ะคะตอนนี้โดยรวมก็พร้อมเนี่ยเจ้าค่ะหลวงพ่อรัวอะไรก็มีพร้อมหมดแล้วจ้ะพอรั้วพอรั้วเสร็จมันก็กลายเป็นปลอดภัยมากไปเลยครับอาจารคนมันอยู่ก็แบบ อุ่นใจมากครับเป็นกำแพงเลยเลยเจ้าค่ะเป็นเป็นรั้วมีทั้ชี้กันเหล็กพี่กอบเดินหลวงพ่อไปแล้วที่แล้วเจ้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูกศิษย์หลวงพ่อสูงเลยนสองเมตรสองเมตรนะคะถ้ประมาณรอบคือสวนอะยี่สิบสี่ไร่แต่ใช้ใช้ทำมาในสวนจริงๆประมาณเกือบสิไร่ระยะรอบที่ใช้ทํารั้วเนี่ยห้าร้อยี่สิบกว่าเมตรอที่ทํารั้วครับเสร็จหมด แล้วก็พอทําดัวเสร็จแล้วก็จะไม่ค่อยมีหมามีสัตว์เข้ามาวุ่นวายมากแล้วก็ก่อนใครมากเราก็เปลี่ยนประตตลอดเวลาเจ้าค่ะเวลาใครจะมาเข้าก็ต้องมาเรียกลูกก็ติดป้ายไว้ให้เบอร์โทรไว้เจ้าค่ะแต่ส่วนใหญ่คนที่จะมาเนี่ยก็เป็นคนที่เขามีความประสงค์ที่ต้องการจะเข้ามาพบเราจริงๆเจ้าค่ะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ย รัยังไม่มีประตูไม่มีก็จะมีคนที่ใช่เจ้าค่ะทีนี้พอสังเกตจากผู้ปฏิบัติที่ที่รั้วเสร็จแล้วเจ้าค่ะหลวงพอเขาก็จะบอกว่ารู้สึกว่าปลอดภัยแล้วก็สงบมากขึ้นอเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่าพอมาแล้วคนตอบรับที่ดีเจ้าค่ะอไม่พุกพ่านเจ้าค่ะเขาไม่กังวลอย่างที่วัดชวนสุดที่ปาวานี้เมี่อตอนนองวิ่งทะลุวัดเลย ใช่ครับมันก็เลยมีรถเท่าออกทั้งห ล, งละนะตอนเริ่มตอนนี้ต้องระวังถ้าปล่อยให้เขาวิ่งผ่านแล้วต่อไปมันก็จะเป็นถลนผ่านเลยอตอนตอนตอนแรกเนี่ยที่เขาเข้ามาเพราะว่ามันเป็นทางตันน ะ, ะ้วค่ะสุดท้าย ทางตรงนั้นจะเป็นส่วนเราเจ้าค่ะเขาก็จะเข้ามาหลับเราอย่งนี้เจ้าค่ะแต่พอตอนหลังเขาทราบแล้วว่าเรามีประตูเจ้าค่ะเขาจะไม่เข้ามาถ้าไม่ให้คนเข้าออกแบบพั่มเพื่อได้ก็ดีมีเวล่เวลาหาแทนใครจะมาหาก็มาตอนบ่ายช่วงที่เรามาทํากิจวัตรอะไรช่วงเหมือนก็เราจะได้ทํากิจของเรา กิจว่าเริ่มตั้งแต่เกมดเลยตอนนี้ลูกกลับเป็นตีสี่รงศาลานั่งสมาธิเจ้าค่ ะ, ะเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติมาทีนี้ถ้าเราไม่ไม่บีบเวลาขึ้นมาอีกเนี่ยก็คือรู้สึกว่าการปฏิบัติมันจะน้อยอก็เลยก็เลยขึ้นมาเป็นตีสี่รงศาลานั่งสมาธิก่อนหนึ่งชั่วโมงเจ้าค่ะหลังจากนั้นแต่ลูกก็จะให้ฟังธรรมหลวงพ่ อ, อหนึ่งชั่วโมง หลังจากนั้นก็ทําวัดตีห้าเจ้าค่ะตีห้าทาวัดเสร็จเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของส่วนการปรุงอาหารหลังจากทานข้าวแปดโมงเก้าโมงก็กลับที่พักใครที่พักมาแล้วก็ระเบียกก็จะไม่ให้พูดคุยไม่ให้จับกลุ่มคุยกันอย่างเงี้ยเจ้าค่ะการปฏิบัติระหว่างวันก็ให้ปฏิบัติเองลูกก็จะมี MP ็สเป็นเสียงธรรมะหลวงพ่อเจ้าค่ะใช้พวบคู่กับการปฏิบัติทุกคนที่มาเจ้าค่ะเพราะว่า ส่วนการนั่งฟังธรรมะที่ศาลาเนี่ยลูกก็จะจัดดูว่าในวันนั้นๆผู้ปฏิบัติติดขัดอะไรถ้าเราไม่ได้ขึ้นมาที่นี่ลูกก็จะให้ฟังที่ศาลาตรงนัน้แล้วก็ถามคําถามขึ้นมาเ จ, จ้าค่ะถามทอดสดนี่ไหมเจ้ค่ะเหมือนเมือ่อวานก็ประสงค์คําถามขึ้นมาเจ้าค่ะก็ดีถ้าสงสัยอะไรก็ถามได้ตอนเช้าหลังจากทำวัดเสร็จก็มาทําอาหารกันเจ้าค่ะ ร่ช่วยกันทำอาหารเจ้าค่ะแล้วก็สมมติว่าถ้ามีคนเยอะลูกก็จะแบ่งค่ะเช่นคนไหนมีความสามารถทำอาหารจัดเตรียมอาหารก็สองสามคนที่เหลือก็ ก, กว่าทำความสะอาดศาลาคือจะไม่ให้อยู่กันเยอะอพอให้อยู่เยอะก็จะป่วยนะเจ้าค่ะแล้วหลวงพ่มีอะไรต้องเพิ่มเติมไนะคะในเรื่องของการิบ่งเวลาหรืออะไรเงี้ยเจ้าค่ะตอนนี้กําลังทำอยู่พ่อทำวัดเสร็จก็มา ทำเรื่องอาหารค่ะแล้วทําเสร็จก็รับประทานอาหารกินมองเสร็จก็ประมาณเก้าโมงล้วค่ะรับประทานตอนประมาณแปดโมงเจ้าค่ะแาดโมงเสร็จแล้วก็ก็เก็บความอะไรกันเก้าโมงก็เสร็จแล้วก็แยกกันกลับเจ้าค่ะก็ไปอยู่ที่พักตามอัธยาศัยเจ้าค่ะ การเดินจงกรมนั่งสมาธิก็ฟังธรรมอะไรก็ทำไปจนถึงบ่ายสองโมงเจ้าค่ะบ่ายสองโมงก็มาลงมันที่สาราเจ้าค่ะเจ้าค่ะมาสวดมนต์มาฟังเทศฟัธรรมลูกค่อสวดมนต์เป็นตีห้าธรรมวัดเช้าแล้วก็ห้าโมงย็นหรือว่าหกโมงเนี่ยรมเย็นเจ้าค่ะเจาคะบ่ายสองก็มาสองฟังธรรมเจ้าค่ะหลังจากฟังธรรมสี่โมงก็ทาความสะอาดกันเจ้าค่ะช่วยงาน ส่วนรวมแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้อทํากิจส่วนตัวเจ้าค่ะห้าโห้าโมงหรือว่าหกโมงเนี่เจ้าค่ะก็จะรวมที่ศาลาอีกครั้งหนึ่งเยนเจ้าค่ะนั่งสมาธิเจ้าค่ะนั่งถึงสองทุ่มเจ้าค่ะแล้วก็เลิกเลิกแล้วก็ฝากคนตามไปปฏิบัติช่วงบ่ายที่หลังจากฟังธรรมเสร็จก็ไปช่วยกันกวาดถูบริเวณที่พักเจ้าค่ะต้องเก็บกวาดให้เรียบร้อย เพราะว่าหลวงพ่อเคยพูดมาครั้งหนึ่งว่าเ อ, อให้สถานที่สะอาดและเป็นระเบียบพ่อเคยพูดอีกครั้งนึ่งนักบวชนนะักปฏิบัตินี่ต้องมีความสาเรียบร้อยตอนตอนแรกก็ห่วงด้านอาหารการกินครับพระอาจารย์แต่ไปมามาคนเขาก็เห็นว่าปฏิบัติปฏิบัติเรื่อยเนี่ยมีแต่คนเอาของน้ําดื่มเข้าวสารอาหารแห้งมากลายเป็นตอนนี้ครัวของกินเยอะเลยครับพระอาจารย์ก็ดีไม่ต้องไปซื้อกับข้าวเลย ซ, ซื้อกับข้าวล้วก็ซื้อแท้อาจจะเป็นหมูอะไรเงี้ยเจ้าค่ะหลวงพ่ออย่างบางาาทีรอบนี้มีคู่ปฏิบัติมาครั้งหนึงเขาก็จะซื้อใครมาแผงหนึงอย่างคุณแม่เออย่างเงี้ยคะ่ะมาจะซื้อของเข้ามาให้อย่างเงี้ยเจ้าค่ะส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องถ้าจะไม่ต้องซื้ออะไรมีตูเ้เยน็นเก็บมีตูเ้เย็นเจ้าค่ะแล้วก็ลูกก็ปลูกผักเองด้วยเจ้าค่ะก็ใช้ตามที่เราใช้ชีวิตแบบพอเพียงเจ้าค่ะหลวงพอดี ก็ดีทุกอย่างก็ก่าก็ใช้ได้อยู่ที่การกระทำว่าต้องทําแบบไหนทำํำก็ต้องทําแบบมีสติใจเราต้องจดจ่ออยู่ ก, กับการงานที่เราทําเพียงอย่างเดียวถ้าเรากําลังกวาดถูเร า, าก็ต้องให้มีสติอยู่การกวาดถูไม่ควรที่จะคุยกัน ทำกับข้าหรือมาน้างถ้วยน้นางชามอะไรก็เหมือนกันต่างคนต่างทำไปอย่าทำแบบชาวโลกชาวโลกเขาทำแล้วเดี๋ยวเขาคุยกันด้วย <c oughs> เราทำแบบชาวธรรมะชาวธา ร, รมะนี่ทด้วยสติใจจะไม่คิดอะไรถ้าไม่คิดแล้วมันไม่พูดอ่ะถ้าใจมีสติจดจ่อยอยู่กับงานที่เราทำเนี่ยเรียวกว่าเป็นการฝึกสติ สตินี้สําคัญเพราะเวลาที่เรานั่งสมาธินี้ถ้าไม่มีสติแล้วนั่งมันจะไม่สงบถ้ามีสตินี่ห้านาทีสิบนาทีมันก็สงบได้เนี่ยมันฝึกสติในกิจกรรมทุกอย่างที่ทำํำไม่ว่าจะว่าพราะสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมนี้ก็ต้องใช้สติทำสวดมนต์ก็ให้มีสติอยู่กับการสวดมนต์อย่างเดียว ฟังธรรมก็ให้มีสติอยู่การฟังธรรมอย่างเดียวทํากิจวัตรกวาดถูซักผ้าอาบน้ำอาบท่าก็ให้มีสติอยู่กิจกรรมที่เรากําลังทําอยู่ถ้าทําอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าการปฏิบัติจะข้าวหน้าออย่าให้มีเวลาจับ ก, กลุ่มคุยกันเลยเพราะมันไม่ได้เกิดไปรยชนอะไรเสียเวลามีค่า ของการปฏิบัติทุกเวลานี้ทุกนาทีนี้มีคุณค่าถ้าเรารู้จักนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นี้มันเป็นประโยชน์มหาศาลพระพุท์เจ้าสอนในสติปัฏฐานศูงถ้าจะยังสติได้อย่างต่อเนื่องตามหลักที่ทรงสอนนี่เจ็ดวันก็บรรลุดได้เมื่อเจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็ไม่เกินเจ็ดปี สตินี่เป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการ ป, ปฏิบัติเพราะถ้าไม่มีสติแล้วนั่งสมาธิยังไงก็ไม่มีวันที่จะสงบถ้าไม่สงบจิตก็จะไม่มีความสุขจิตจะไม่เป็นอุเบกขาจิตก็จะหิวโหวยจะรักจะชังจะกลัวจะหลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะทําให้ต้องดินน้นรน เจออะไรเจอรักก็ต้องดิน้นเจอชังก็ต้องดิน้นแต่ถ้ามีอุเบกขานี่จะเห็นอะไรก็เฉยเฉยเห็นอะไรได้ยินอะไรก็เฉยเฉยถ้าไม่เฉยก็แสดงว่าอุเบกขาหมดก็ใช้สติดึงกลับขึ้นมาใหม่ได้พอเกิดอารมณ์ปับ๊บพอรักปั๊บก็พุโทโธพุธโทโธไปพอชงังปั๊บก็พุโทโธพุธโทโธไป ดึงมันกลับมาให้เฉยให้ให้รู้เฉยเฉยให้เห็นเฉยเฉยให้ได้ยินเฉยเฉยอย่าไปได้อย่าไปได้ยินด้วยอารมณ์โกรธบ้างอารมณ์รักบ้างอารมณ์ชั่งบ้างพอเกิดอารมณ์นี้สแสดงว่าใจาเราไม่เป็นอุเบกขาแล้วเราก็ต้องใช้สติเดินกลับขึ้นมาใช้คําบริกรรมพุทธโธพุทธโธ แล้วก็ถ้ามีเวลาไม่ต้องทำอะไรก็พยายามนั่งได้มากๆเพราะการนั่งนี้จะทำให้จิตนิ่งจริงๆถ้ายังเดินยังทำกิจกรรมอยู่นี่จะได้เพียงแต่สติแต่จะไม่ได้สมาธิแต่ถ้านั่งแล้วจิตจะนิ่งจะสงบจะเป็นอุเบกขาแล้วจะมีความสุขจะเบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจ นี่คือขั้นฝึกสติเพื่อให้ได้สมาธิพยายามฝึอย่างนี้ไปก่อนทางด้านปัญญาก็ก็ใช้บ้างก็ได้แต่ถ้ายังใช้ไม่เป็นก็ยังไม่ต้องใช้ก็ได้ <Yeah. S 1> ปัญญาก็เอาตอนที่เราฟังเทศฟังธรรมฟังธรรมนี้ก็จะได้ได้ปัญญาปัญญาตอนต้นก็ควรจะเป็นปัญญาเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ <Yeah. S 1> อาจจะ ฝึกสติอย่างไรจะสร้างสติอย่างไรจะสร้างสมาธิอย่างไรถ้าเรารู้จักวิธีฝึกสติแล้วเราเอาไปฝึกเราก็จะได้สติพอเรารู้จักวิธีนั่งสมาธินั่งอ ย, าาย่างไรพอเราไปนั่งเราก็จะได้สมาธิพอเราได้สมาธิแล้วเราฝึกชนะฝึกสมาธิไปบ่อยๆให้ชำนาญก่อนการ นั่งสมาธินี่ก็เหมือนกับการหัดขับรถนะตอนตอนเราก็ต้องหัดขับที่ถนนที่ไม่มีรถวิ่งมากขับในลานจอดรถแล้วขับในที่ที่มันไม่มีรถวิ่งไปวิ่งมาเพื่อให้เรารู้จักวิธีเดินหน้าถอยหลงังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหยุดรถก่อนพอเราหยุดแล้วพอเราชำนาญแล้วเราถึงค่อยขับออกไปที่ถนนใหญ่ ตอนนี้เราฝึกสมาีินี่ก็เป็นเหมือนกับการขับรถให้รู้จักขับให้มันปลอดภัยขับให้ชำนาญก่อนพอเรามีความชำนาญมีความมั่นใจแล้วเราค่อยออกไปตามถนนใหญ่นั่งสมาธิพอนั่งได้แล้วครั้งแรกก็ยังแสดงว่ายังไม่ไม่ชำนาญต้องฝึกไปบ่อยๆให้นั่งบ่อยๆนั่งนานๆ จนสามารถเข้าสมาธิได้ทุกครั้งทุกเวลาที่ิเวลานั่งแล้วจิตก็มีความสงบตลอดเวลาทั้งใ น, นขณะที่นั่งแล้วหลังจากออกมาจากสมาธิแล้วจิตก็ยังมีโอเวคขามีสติคอยรักษาอยู่ถ้าเราได้แบบนี้แล้วเราถึงค่อยไปทางปัญญาจะดีกว่าเพราะทางปัญญานี้เหมือนกับขับรถไปแ <c oughs> ข่งกับคนอื่นเขา ไปขับบนท้องถนนใหญ่มันต้องแข่งกับรถคันอื่นมีรถวิ่งมาหลายด้านหลายทางนะจะมาทางซ้ายนหนจะมาทางขวาไหนจะมาทางด้านหน้าด้านหลังเพราะนั้นเราต้อง <c oughs> ใช้ปัญญารู้จักหลบรู้จักหลีก <c oughs> อันนี้ก็พอเราได้สมาธิแล้วทีนี้ชำงานทางสมาธิแล้วทีนี้เราค่อยมาออกมาหัด ใช้ปัญญาใช้ปัญญามาสู้กับกิเลสตัณหาที่จะมาคอยทำลายความสงบของเราที่เราได้จากสมาธิพอเกิดความโลภเกิดความอยากนี่เราต้องมีปัญญามาสอนใจให้เห็นว่าการโดยทำตามความอยากนี้จะพาไปสู่ความทุกข์ เพราะสิ่งที่เราอยากได้ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปไม่เที่ยงเนี่ยได้ได้มาแล้วบางทีเรามันก็เปลี่ยนไปห้ามมันไม่ได้ตอนตอนกดีได้มาก็ดีเดี๋ยวต่อไปกลายเป็นไม่ดีขึ้นมาก็ได้เป็นอนัตตาเราไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้หรือถ้าเราเห็นอะไรที่มันสวยงามเห็นร่างกายสวยงามชอบเราก็ต้องมองว่ามันไม่สวยงาม ดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายเนี่ยดูที่อวัยวะน้อยใหญ่อยู่ที่โครงกระดูกเนี่ยที่อยู่ใต้ผิวหนังอยูโครงกระดูกดูกระโหลกศีรษะเห็นหน้าตาสวยๆนี่ข้างใต้ข้างใต้ตตตผิวหนังนี่เป็นอะไรก็ไม่รู้ mm hmm. ลองถ่ายถ่ายเอ็กซเรย์ดูเลยถ่ายเอ็กซเรย์ดู เป็นคนละคนเลยข้างนอกกับข้างในเรียนต้องมองทั้งมองข้างในให้เห็นมองให้เห็นกระโหลกศีรษะมองให้เห็นโครงกระดูกมองให้เห็นปอดเห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่หล่นลักไข่แต่ถ้าไปเห็นแค่ผิวหนังเห็นแค่หน้าตาเห็นแค่คิ้วเห็นแค่จมูกเห็นแค่ปาก ถ้หลงไหลไข้างค้ายขึ้นมานี่ก็คือปัญญาปัญญาต้องมองมุมกลับกิเลสชอบมองมุมสวยลราปัญญาต้องมองมุมไม่สวยกิเลสชอบมองมุมเป็นเราปัญญาต้องมองมุมตายเวลาเห็นเขาเป็นนี่น่ารักแต่พอไปมองมุมที่มุมที่เขาตายนี่น่าเกลียดขึ้นมาเลย ล้างกันยังไงพอตายนี่นก็ไม่เก็บไว้ในบ้า น, นส่งให้สัพเพเลรอยกให้สั ป, ประเลยยจ้างสั ป, ปเพเรเยนี่คือปัญญาที่เรามาใช้หลัง จ, จากที่เรามีสมาธิแล้วถ้าเรายังสมาธิยังไม่มีมาใช้ปัญญามันใช้ไม่ได้ไม่มีกำลังหนึ่งมันไ ม, ม่มันไม่อยากจะคิดกิเลสมันจะไม่ยอมไม่คิด ก็จะคิดทางปัญญาได้นี่ต้อง บ, บังคับจะบังคับได้ก็ตามที่จิตมีสมาธิเพราะตอนนั้นกิเลสมันถูกกำลังของสมาธิตัดไปมันจะไม่มีกำลังที่จะดืมใจไปคิดว่าสวยว่างามเราก็จะดื็งใจให้มาคิดว่ามันไม่สวยไมย่างามได้มองว่ามันเป็นของตายไม่ใช่เป็นของเป็นของแต่อย่างที่มันเป็นอยู่ตอนนี้เดี๋ยวมันต้องตายหมด ไม่มีอะไรไม่ตายอนี่ยข้าวของก็เหมือนกันเนี่ยของที่ใช้ได้อยู่ทุกวันนี้เดี๋ยวมันก็ต้องใช้ไม่ได้เดี๋ยวมันก็ต้องเสียหรือของอะไรได้มาแล้วเดี๋ยวถ้าใช้ไปเดี๋ยวมันก็หมดกาแฟซื้อมาสักเดี๋ยวก็กินไปแล้วเดี๋ยวมันก็หมดหมดแล้วถ้าไม่มีกินเป็นยังไงทุกข์รู้สุกอก็ต้องไปหาขวดใหม่ห ม, มาอีกหากระมาเก็บขวดมันก็หมดเอง ทำไมมองให้เห็นว่ามันต้องหมดพอหมดแล้วมันทุกข์นัอย่าไปดื่มมันดีกว่าอย่าไปรักใครดีกว่ารักแล้วเดี๋ยวเวลาเขาตายก็เสียใจร้องห่มร้องไห้อนี่คือปัญญาที่เราจะฝึกหลังจากที่เรามีสมาธิแล้วคาว่ามีสมาธิไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจ น, ะนั่งสมาธิปั๊บออกมาว่าได้สมาธิแล้ว หนึ่ยังไม่ทันสงบเลยนั่งไปนั่งไปจนทนไม่ไหวต้องออกมาเรียกว่ายังไม่มีสมาธิถ้าเป็นสมาธิจิตต้องรวมรวมเป็นหนึ่งเป็นอัปปญาสมาธิทีนี้เรียกว่าสมาธิกัร น, นิกาะก็รวมเดี่ยวเดียวยังไม่ถือว่าเป็นสมาธิคาร น, นิกะสมาธิแบบแบบอะไรแบบจิ้งจบลาบลิ้นแบบงูลาบลิ้นลาบเดียว จะบอกปุ๊บแล้วก็ถอนออกมาอันนี้ยังไม่มีกำลังพอที่จะามาใช้ทางปัญญาได้ต้องไปฝักปัญญาสมาธิจิตรวมลงแล้วนิ่งเฉยครึ่งชั่วโมงชั่วโมงอย่างนี้แล้วพอถอนออกมาก็รักษามันด้วยสติต่ตอไม่ให้มันไม่ให้มันฟุ้งขึ้นมาถ้ามันฟุ้งก็ใช้สติหยุดมันแล้วก็กลับไปนั่งใหม่นะั กำลงการที่จะสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เวลามันฟุง้งพอจิตฟุ้งก็เข้าไปนั่งสมาธิพอาหายฟุ้งก็ออกมาทํากิจกรรมหรือทําอะไรด้วยสติรักษาความสงบของใจไปแล้วถ้าทํานาญเข้าออกทางสมาธิแล้วทีนี้เวลาออกมาถึงค่อยมาดูอสุภะกันดูความตายกันเ ดูร่างกายเจ็บเกิดแก่เจยบตายกันดูว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงมีขึ้นมีลงมีเกิดมีดับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่เหมือนเดิม ว, วินาทีนี้กับวินาทีที่แล้วนี่ร่างกายเราเปลี่ยนไปละห น, นปหนึ่งวินาทีแก่ไปหนึงวินาทีแล้ะ แก่ไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆของก็เก่าไปเรื่อยๆโทรศัพท์ที่ซื้อมานี่วินาทีที่แล้วกับวินาทีนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วเสื่อมลงไปวิวนาทีหนึ่งละมันเสื่อมไปเรื่อยๆเก็บไว้สักห้าปีสิบปีนี้ใช้ไม่ได้แล้วเสียละนี่คือความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในโลกนี้มันจะต่องเสื่มไปได้เรื่อย เสื่มช้าเสื่มเร็วบางอย่างก็เสื่อมเร็วเห็นมันกลับข้าวทิ้งไว้วันเดียวก็บูดละกินไม่ได้นะที่อย่างมันต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดเราก็ต้องคอยหามาใหม่เรื่อยๆอยีานการหามันก็เป็นทุกข์ละเป็นความทุกข์ละถ้าไม่จาเป็นก็อย่าไปหามันดีกว่าหามาได้วถ้าหลายเยวก็ต้องหมดไปก็ต้องหาใหม่เรื่อยๆ พอหาไม่ได้ก็ทุกข์อีกเช่นกาแฟเนี่ยหาว่าพอหมดก็ต้องหามาพอหมดแล้วหาไม่ได้ก็ทุกข์ก็อย่าไปกินมันเลยอย่าไปเดินมันเลยหมดแล้วก็ปล่อยมันหมดไปมันหมดได้มันจะมาก็ให้มันมาเองใครเขา้าเมตตาเข้ามาเยี่ยมเอากาแฟมาฝากก็ก็กินไปถ้าไม่มีใครเอากาแฟมาฝากก็อยากไปซื้อมัน มันเหมือนยาเสพติดนของต่างๆรูปเสียงกเกล็ดนนี่มันเหมือนยาเสพติดถ้ามันไม่มาเองก็อย่าไปหามันนอกจากของที่จําเป็นที่ต้องมีก็คือปัจจัยสี่ทั้งที่ต้องหามันอาหารก็ต้องหามันอาหารมันพอประมาณกินมื้อเดียวก็พอกินมื้อเดียวเปล่าที่สวยนี่อาหารมื้อเดียวก็พอ น้ำก็ดืม่มน้ำเปล่าเนี่ะน้ำที่มีสีมีกลิ่นนี่ไม่นั่งไปดื่มมันนอกจากมีคนเอามาให้ก็เดื่มได้ถ้าไม่มีคนมาให้ก็เดื่มน้ำเปล่าไปของอะไรที่มีรสมีสีมีกลิ่นนี่อย่าไปกินมันมก็เรียกอะไรพวกยาอยาที่อะไรเขาเลีกน้ำปานปานกปัญะอะไรย า, าต่างๆ ก็ไม่มีไม้เองก็อย่าไปหามันไม่ทำกินมันละตายกินข้าววันละนึงแล้วหลังจากนั้นก็ดื่มน้ำาป่าก็พอแล้วมันจะทำให้ใจเราไม่วุ่นวายไปกับเรื่องกินต่างๆถ้าไม่ไม่ระวังเดี๋ยวมันมีของที่กินได้หลังจากเที่ยงวันไปแล้วเยอะแยะเลยเนยกวนก็กินได้เอาเนยมาอาเนยแข็งมากวน ก, วนกับน้ำตาลก็กินแล้วอร่อย เลีนกับน้ําชาน้อนๆกาแฟน้อนๆยิ่งอร่อยเนี่ยนั่นมันไม่ได้กินเป็นยานะมันกินเป็นยาค่ะเป็นกินกินเพื่อตันหาความอยากเนี่ยถ้าร่างกายหิวน้ำก็กินน้ำเปล่าไปแต่หิวข้าวก็รอพรุ่งนี้ก่อนค่อยกินข้าวอนุญาตให้กินวันละครั้งก็พอถ้ากินให้กินให้ร่างกายอยู่ได้ก็กินวันละมื้อก็พอ หิวยังไงก็ไม่ตายรับรองได้ไม่ได้ตายด้วยความหิวต้องฝึกกินอย่างนี้มันจะได้ไม่ไปติดกับรูปเสียงกลิ่นรสของกินของเดื่ม น, นี่มันก็รูปเสียงกลิ่นรสถ้าจะกินก็กินด้วยความจำเป็นกินอาหารเพื่อย่างชีพอย่างไปกินเพื่อรสิเพื่อความอรรถอร่อยขนมนมเนยอะไรต่าง ก็ไม่ห้ามเวลากินอาหารมีข น, นมนมอะไรก็กินมันไปแต่อย่าไปปุุงแต่งไปสรรหามันถ้ามีคนเขาเมตตาเอามาให้ก็กินนไปถ้าไม่มีก็เอาข้าวเนี่ยกินข้าวกินกลับก็พอนี่คือการปฏิบัตินะการใช้ปัญญา เวลาออกทางปัญญาพิจารณาไปสักพักมันก็จะฟุ้งได้ฟุ้งก็หยุดกลับไปเข้าสมาธิใหม่ให้มาถายฟุ้งก่อนแล้วก็ออกมาพิจารณาใหม่การพิจารณานี้เพื่อให้เห็นความจริงเนี่ยเห็นสุภาษเห็นความไม่สวยงามของร่างกายเห็นความตายของร่างกายเห็นความเป็นดินน้ำลมไฟของร่างกายเห็นอาการ32ของร่างกายถ้าเราไม่พิจารณาเราจะมองไม่เห็นเนี่ย ร่างกายนี้แล้วก็เห็นอาการสามที่สองบ้างไหมเห็นแค่ห้าอาการเั่นแหลเห็นแตกผมขนเล็บฟันหนังนั่อพอหลังจากนั้งเราไม่เห็นเลยใต้ผิวหนังไปไม่เห็นเลยใต้ผิวหนังคือเนื้อเอ็นกระดูกนี่ไม่เห็นแล้ะม้าหัวใจตับพังผืดไตปอดลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยไม่เห็นเลยเกิดมาบางคนเกิดมาตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นของที่มีในตัวเองเลย พอไม่เห็นมันก็เลยหลงไหลไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราแต่พอพิจารณาจริงๆค้นหาดูร่างกายเราอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงผมหรอผมเป็นเราหรือเปล่าขนเป็นเรารือเปล่าเล็บเป็นเรารอเปล่าฟันเป็นเราหรืเปล่าหนังเป็นเราหรืเปล่าเนื้อเป็นเรารเปล่าเอ็นเป็นเรารอเปล่ากระดูกเป็นเรารอเปล่าค้นไปเรื่อยๆสาสิสองอาการเราอยู่ตรงไหน ไม่มีสักอาการหนึ่งในร่างกายนี้ที่ว่าเป็นเราเราเป็นยังไงยังไม่รู้เลยเราไปเลยคิดว่าเราก็คือร่างกายเนี้ยที่มีอาการฐานที่สองอยู่เราไปตู่มันเขา้าใจไปว่ามันเป็นเราเหมือนอย่าไปว่ายโทรศัพท์มือถือนี่เป็นเรามันไม่ได้เป็นเรามันเป็นโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันมีกล้องมีลําโพงมีไมโครโฟน ร่างกายเราก็เหมือนโทรศัพท์มือถือนี่มันก็มีกล้องตาสองอันนี้ก็คือกล้องไมโครโฟนก็คือหูสองอันใช่ไหมปากก็เหมือนกอับลำโพงเวลาเสียงเราออกมาเราออกทางไหนออกทางปากกนน็นี่และร่างกายเราก็เหมือน iPhone ดีๆนี่อาการ32 p อ o n นมันก็มีอาการ32 มันมีฝามันมีตลบอบมันเปิดเข้าไปข้างในเลยข้างในมันก็มีสายไฟมีอะไรมีวงจรมีเซอร์กิตอะไร IC ต่างๆมีทรานซิสเตอร์มีเครื่องประกอบต่างๆร่างกายก็เหมือนกันร่างกายก็เหมือนไอโฟนมีสมองสมองก็เป็นเหมือนเหมือนทรานซิสเตอร์เหมือน IC ตัวที่ เป็นตัวที่สั่งการให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี้ก็คือตัวสมองเลยให้ร่างกายทำขยับุ่นขยับนี่ได้ตัวสมองนี่เป็นตัวสั่งตัวสมองนี่ก็รอรับคำสั่งจากใจทีใจก็คือเจ้าของโทรศัพท์เนี่ยเจ้าของโทรศัพท์ก็ต้องสั่งโทรศัพท์ถ่ายรูปกดปั๊บมันก็เป็นกล้องขึ้นมาให้มันอัดเสียงมันก็อัดเสียงขึ้นมา ไอ้มันเข้าอินเทอร์เน็ตมันก็เข้าอินเทอร์เน็ตคนสั่งกับไอ้กับโทรศัพท์นี่มันเป็นคนลกคนกันใจที่สั่งให้ร่างกายเดินยืนนั่ง น, นอนนี่ก็คนละคนกับร่างกายร่างกายก็เป็นเหมือนโทรศัพท์ที่รอรับคำสั่งจากใจวันนี้สั่งให้มาที่นี่ใช่ไหมใครสั่งมาให้มาที่นี่ใจหรือสมองสมองมันสั่งไม่ได้ S 1> <S 1> <S สมองมันสั่งร่างกายได้สมองให้สั่งให้ร่างกายขยับได้แต่ก่อนที่จะขยับมันต้องมีคนสั่งสมองอีกทีบอกให้ไปขยับร่างกายให้หน่อยคนที่สั่งให้ขยับนี่ก็คือคือใจสั่งไปที่สมองสมองก็จะขยับให้ถ้าเกิดสมองเป็นถ้าเกิดสมองมันเป็นมันเสียขึ้นมาเห็นไหมเป็นอมัอมาพาตอาตใจสั่งยังไงมันก็ขยับไม่ได้ เสนสมองเส้นเลือดอุดตันในสมองทาใหสาา้สมองไม่สามารถสั่งงานไปที่อที่ขาที่แขนได้เนี่ยใจสั่งให้ลุกมันก็ไม่ลุกนะใจสั่งให้มีขยับก็ขยับไม่ได้เพราะสมองมันเสียนี่ต้องเข้าใจสมองมันเป็นตัวที่เกี่ยวกับร่างกายโดยตรงแต่ใจนี่เป็นตัวที่สั่งให้สมองสั่งให้มาที่ร่างกายที้ มีสองสองแห่งเหมือนการเราสั่ง iPhone เนี่ยสั่ง iPhone พอเรากดปุ่มปั๊บ p h o n e มันก็มันก็มีตัวสมองในนั้นออกสุกสั่งให้เปิดอินเทอร์เน็ตอมันก็ไปเปิดอินเทอร์เน็ตสั่งให้เปิดกล้องมันก็เปิดกล้องขึ้นมาถ้าเกิดไอตัวรับสั่งแต่นั้นเสียไปกดปั๊บมันกดให้มันเปิดเน็ตมันก็ไม่ไปเปิดให้เป็นกล้องมันก็ไม่ไปก็แสดงว่ามันเสียก็ต้องส่งไปให้ช่างซ่อม ช่างก็เช็คดูเดี๋ยวต้องเปลี่ยนวงจรใหม่แถนวงจรใหม่แทนวงจรเสียพอเสียปั๊บเปลี่ยนใหม่ปั๊บก็ใช้ได้อพอเราสั่งให้มันไปอินเทอร์เน็ตมันก็ไปสั่งให้มันถ่ายรูปมันก็ไปสมองเราก็เหมือนกันแต่เมื่เวลาเป็นยามมาเพิกกรรมภาพาสั่งมันไม่ได้ถ้าต่อไปต้องสามารถเปลี่ยนสมองได้เพะฉะนั้นสมัยนี้ก็เปลี่ยนหัวใจได้ ถ้าเปลี่ยนสมองได้ต่อไปก็สั่งให้ร่างกายขยับได้เหมือนเดิมตัวสมองนี่เป็นตัวที่กำกับการเคลื่อนไหวการการกระทําต่างๆของร่างกาย อ, อยู่ที่สมองถ้าสมองเป็นอะไรไปปั๊บนี่ก็ถือว่าไม่สามารถขยับได้ทาอะไรไม่ได้และผู้ที่สั่งร่างกายกทีทีไม่ใช่สมองผู้ที่สั่ง ให้ร่างกายขยับเยื่อนเดินไปเดินมาให้วิ่งให้เต้นให้ทำอะไรนี้คือใจสั่งให้ไปไหนมาไหนนี้คือใจสมองไม่รู้ว่ารับที่นู้นที่นี่อยู่ที่ไหนใจเป็นผู้รู้ใจผู้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังทางตาหูจมูกมืนการแล้วก็จำว่าว่าธรรมะบนเขาอยู่ที่เขาชีโอนมีการแสดงทํามเวลาบ่ายสองโมงอยากจะมาฟังธรรมก็ ใจก็สั่งไปที่สมองอีกทีบอกว่าเดี๋ยววันนี้พาร่างกายมาที่เขาทีโอนนะ hmm. พอเห็นนาฬิกาใกล้ถึงเวลาก็ออกเดินทางกันเลยผู้ที่สั่งร่างกาย Constant, จริงๆก็คือใจ hmm. ผู้ที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายคือสมอง hmm. ใจสั่งแล้วแต่เกิดสมองไม่ทำงานสมองเสีย hmm. ก็เป็นอมเพลิกรมภพไป ต่อไปถ้าเขารู้จักวิธีเปลี่ยนสมองได้มีสมองเทียมได้ก็ต่อไปก็อาจจะไม่้หายได้ในเวลาที่เกิดสมองเสียเขาก็เอาสมองเทียมอย่างนี้เขามีสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนตัวมันเองได้อันนั้นเขาก็มีสมองเทียมนะต่อไปก็อาจจะเอาสมองเทียมมาใช้กับร่างกายคนก็ได้อย่างนี้ก็ว่าใช้เป็นบางส่วน แขนบางทีเขาก็เอาเอาแขนเทียมมาใส่เรก็สามารถมีตัวสั่งให้แขนขยับไปตามคําคสั่งของของของสมองของใจได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของร่างกายที่ไม่ใช่ตัวเราของเราคนที่สั่งเกิดใจสั่งไปที่ร่างกายร่างกายนี้ก็เป็นเพียงอาการ32ไม่ใช่คนสั่งดังนั้นคนสั่งไม่ต้องไปตื่นเต้นตอบใจ เวลาที่ร่างกายมันเป็นอะไรก็ให้รู้ว่าเหมือนกับเป็นโทรศัพท์มือถือที่มันจะต้องเสียใช้มันไปสักวันหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องพังพังมันก็ทิ้งไปถ้ายังอยากจะใช้อยู่ก็ไปเปลี่ยนเครื่องใหม่ไปซื้อเครื่องใหม่แต่ร่างกายนี้พอพังไปเราก็ไปเปลี่ยนร่างกายใหม่พอร่างกายตายไปเราก็เหมือนกับนอนหลับไปนอนหลับแล้วก็ฝันไป ฝันดีฝันร้ายไปจนกว่าพอได้ร่างกายอันใหม่พอออกมาจากท้องแม่ปั๊บก็ตื่นขึ้นมาใหม่ตื่ทีนี้ก็ได้ร่างกายอันใหม่แต่ใจก็อันเดิมคนสั่งก็ยังคนเดิมอยู่คนส่งคยชอบกว๋วยเตี๋ยวก็ยังมาหากว๋วยเตี๋ยวกินอยู่คนชอบกินกินส้มตำก็จะมาหาส้มตำกินอยู่คนชอบไก่ ย, ย่างก็จะมาหาไก่ย่างกินอยู่คนคนสั่งนี้ไม่เปลี่ยน เปลี่ยนแต่ร่างกายคนที่ชอบสีเขียวกลับมาก็จะชอบสีเขียวคนที่ชอบสีแดงกลับมาก็จะชอบสีแดงคนที่ชอบทำบุญก็จะกลับมาทำบุญคนที่ชอบกินเหล้าก็จะกลับมากินเหล้าคนที่ชอบเล่นการพนันก็จะกลับมาเล่นการพนันคนที่ชอบทำบาปก็จะกลับมาทาบาปคนทานั้นคนเดิมแต่ร่างกายนี้เป็นคนคนใหม่ Finger เหมือนโทรศัพท์มือถือเนี่ยคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือเคยใช้เล่นอะไรซื้อเครื่องใหม่มันก็เล่นแบบอันเดิมเคยเล่นไลนมันก็พอได้เครื่องใหม่มามันก็เล่นไลน์ต่อเคยเล่น facebook มันก็จะเล่น facebook ต่อคนใช้เป็นคนเดียวกันแต่เพียงแต่เปลี่ยนเครื่องใหม่ร่างกายที่เรามีอยู่นี้ก็ร่างกายใหม่เหมือนเครื่องใหม่แต่คนใช้คนเดิมคนสั่งให้มันเนเราชอบเราชอบมาบวชกันเคยบวชมาก่อน พอมาได้น่างกายหม่ก็มาบวชเห็นมมันมาของมันเองคนที่ไม่ชอบบวชมันก็ไม่มาบวชต่อให้มันเรียกเรียกมันมาไงชวนมันมาไงมันก็ไม่มาเห็นไอมไอท็อปนี่มันบวชเดียวเดียวเลยมันก็กลับไปละมันพี่ชายมันนี่เคยเคยบวชมาก่อนนะพี่ชายมันก็ยังบวชได้คนคนที่มาได้น่างกายนี่คนละ มันคนเก่าแต่ร่างกายนี้มันร่างกายหม่ร่างกายนี้มันรอรับคําสั่งจากคนคือใจนี่นั้นใจไม่ต้องไปกังวลไปวิตกกังวลกับร่างกายขอให้คิดบ่อยๆว่าร่างกายนี้เดี๋ยวมันก็ต้องแก่เจ็บตายแล้วไม่ต้องไปกังวลกับมันมันแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปมันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันตายก็ปล่อยมันตายไปห้ามมันได้หรเปล่าล่ะอห้ามไม่ได้แล้วไปกังวลทําไม กังวลแล้วมันถ้ากังวลแล้วทําให้มันไม่แก่ได้ก็น่ากังวล น, นะถ้ากังวลแล้วมันไม่เจ็บก็ higher, um กน่าจะกังวลกังวลแล้วมันไม่ตายก็น่าจะากังวลกังวลไปก็ทุกข์ไปเป่าๆกลัวไปก็ทุกข์ไปเป่าๆนั่นไม่กลัวมันทําไมเมื่อมันไม่ใช่ตัวเราเหมือนเมือม่อเห ม, มือนกับทอสัมมาถือเราไปกลัวมันไหมอย่างว่ากลัวมันหายใช่ไหมถ่ายว่ามันจะต้องเสียเงินใหม่ต้องซื้อใหม่ ร่างกายก็เหมือนโทรศัพท์มือถือเครื่ อ, องหนึ่งที่เราเอามาใช้ใช้ดูใช้ฟังเรายังชอบดูชอบฟังกันเนี่ยตายไปเดี๋ยวก็กลับมาได้ร่างกายใหม่ถ้ายังไม่ถ้ายังไม่เลิกชอบดูชอบฟังชอบเล่มลดดนดังปิดที่เรียกว่าการว่าตันหาถ้ายังไม่หยุดการว่าตันหาเนี่ยเนที่มาบวชกันเนี่ก็เพื่อมาหยุดการว่าตันหาไปก็จะ ที่นุ่มขาวอมขาวนี่แสดงว่ญญาเราจะมาตัดความอยากในรูปเสียงจิตนัดแล้วก็ยังมาถูกกิเลสหลอกให้มาอยากกินขนมน ม, นมเงย ก, ก, กินนู่นกินนี่กินกาแฟกันอีกถ้ากินโดยไม่อยากไม่เป็นไรถ้าวันดีคืนดีถ่ายทอดกาแฟมาเลี้ยงอย่างเมื่อวานนี้มีร้านโรงเรียนเสียงสวยเขาเอาน้ำหวานมาเลี้ยงอ่ะถ้าเขามาเลี้ยงเราก็กินกันไป แต่ถ้าวันนี้ไม่มาเลี้ยงแล้วไปสั่งมาเนี่ยเป็นความอยากถ้า้ามาเลี้ยงก็ดื่มได้ถ้าไม่มีน้ำหวานมันเลี้ยงก็ดื่มน้ำเปล่าไปน้ำเปล่ามันต้องดืม่มมันจาเป็นเพราะร่างกายขาดน้าไม่ได้ขาดน้ำล้วเดี๋ยวมันจะตายแต่มันขาดนขาดความหวานในน้ำได้ขาดสีของของเครื่องดื่มได้มันไม่ไม่ไม่ตายงนั้นถ้าจะดื่มอนไรจะกินอะไร อย่าดื่มเมื่อกินด้วยความอยากถ้ามันมีอยู่มันมาเองของมันเองดื่มก็ได้ไม่ดื่มไม่ได้จะดื่มก็มันก็ไม่ก็ไม่ใช่เป็นความอยากถ้ามันมีอยู่แล้วแต่ถ้ามันหมดแล้วไปซื้อมาเนี่ยไปสั่งมาเนี่ยถึงเรียกว่าเป็นความอยากแต่ถ้ายังไม่แน่ใจว่าอยากหรือไม่อยากก็อย่าไปดื่มมันเลยให้มันรุ่แล้วรุ่นรอดไปถ้าไม่ดื่มแล้วมันถ้ามัน ไม่ได้ดื่มแล้วมันงดเกลดก็แสดงว่ามันยังอยากดื่มอยู่เพราอยากไปดื่มมันอย่าไปดื่มยังกล้าไม่ได้ดื่มแล้วมันไม่หงดเกลียดถ้ามันไม่ได้ดื่มแล้วมันไม่งดหกลยดแสดงว่ามันหาอยากนะถ้ามันอยากอยู่พอเห็นแล้วยังยังอยากดื่มอย่างเนี้ยทนถึงไม้ว่าเราจะไม่ได้ไปหามาเองไปซื้อมาเองไปสั่นมาเองแล้วมันว่าเราก็ยังต้องถามใจอยู่ว่าอยากหรือเปล่าถ้ายังอยากอยู่ก็อย่าไปดื่มมัน ถ้าไม่ดืม่มก็ดูมันหดเกดร็งใช่ป่ะ <c oughs> ถ้ามันไม่ได้เดืม่มก็หดเกร็งก็แสดงว่ามันอยากถ้าได้ดืม่มแล้วมันดีใจมีความสุขเนี้ยมันแสดงว่ามันยังอยากอันนี้มันละเอียดนะความอยากเนี้ยง <c oughs> <c oughs> ั้นขอให้เราก็ใจเนี้ยที่เรามาปฏิบัติถือศีลแปดคันเนี้ยเพื่อมาหยุดความอยากทางตาหุ่จมูกพินกายเพราะเราเบื่กับการที่จะต้องมาเกิดใหม่ มาเกิดแล้วมันเหนื่อยกว่าจะโตได้นี่เป็นเด็กเนี่ยมันโอ้โหต้องดิ้นรนต้องให้คนอื่นเขาเลี้ยงดูเราแล้วพอเราเลี้ยงดูตัวเราเองได้ก็ต้องไปโรงเรียนต้องได้ทําอะไรแล้วแต่กีปาถังเด็กสมันยนี้เรียนกันทั้งวันทั้งคืนนะออกจากห้องเรียนมาก็เข้าเรียนพิเศษต่ออแล้วแต่จะไม่มีเวลาไม่เรียนแล้วแข่งกันปิดเทอมก็เรียนพิเศษเด็ก แข่งกันจะเข้าโรงเรียนดีๆเข้าเพื่ออะไรจะได้นี้ได้เรียนโรงเรียนดีๆเวลาจบจะได้งานดีๆจะได้เงินดีๆ จ, จะได้เงินมาซื้อรูปเสียงกลิ่นอนอกจากนี้หมมาเอาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันนี่แล้วพอเกิดตาหูจมูกลิ้นกายเสียไปก็ทุกข์แล้วสิเวลาเป็นอัมมาพึกอัมมาพาณนี่เรียนมาเก่งขนาดไหนมีเงินทองมากน้อยเพียงไร ก็ใช้ร่างกายหาความสุขไม่ได้เยนี่ก็อยากจะฆ่าตัวตายนะฆ่าตัวตายเดี๋ยวก็ต้องไปใช้กรรมในาบาราต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาหาลูกเสียงกลิ่นใหม่กลับมามีตาหูจมออูกขึนการใหม่มันก็ไม่มีวันสิ้งสุดถ้าตัดได้เราตัดกา ร, รมมาตั้งหาตัวนี้ไม่ได้หลันั้นเราังต้องกลับมาเกิดในกรรมมาพบเนะี่ย การมาพบกันเนี่ยพบของมนุษย์เทวดาของเปรตของสัตว์นรกของเดรัจฉานพวกนี้เศษการมเท่า น, นั้นแต่มันเสษด้วยความสุขหรือเสษด้วยความทุกข์อะไรพวกที่ทําบาปก็เสษด้วยความทุกข์พวกที่ไปติดคุดกติดตารางก็ไปเศษการมในคุกกันการในคุกมันก็ก็เป็นของหยาบของของไม่ละเอียดเหมือนกับการที่อยู่นอกคุก อันนี้ก็เหมือนกันพวกที่เสกการมแล้พวกที่ทําบาปตายไปก็ไปเสกการมในอบายพวกที่ทําบุญก็กลับมาเป็นมนุษย์หรือไปเสกการมเป็นเทวดาได้ได้การที่ละเอียดได้รูปเสียงกลิ่นรสที่ละเอียดที่วิจิตรพิสดารแต่ยังไงเสียจแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้ายังมีกรรมยังมีกรรมเมื่ อ, อตานาันหาย ที่มาถือศีล8ปนี่ก็เพื่อหยุดกิจกรรมทางกามมรดตทางข้อสามก็ไม่นอนจากใครข้อหกก็ไม่กินอาหารมากเกินไม่ได้กินอาหารเพื่อความเริฐอร่อยสนุกสนานเฮฮาจัดปาร์ตี้กันตอนเย็นเลี้ยงจัดงานเลี้ยงกันตอนนี้ไม่มีแล้วสำหรับผู้ที่ถือศีลแปกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินมหาลล์รส บ, บันเทิงต่างๆก็ไม่มี ไม่ไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆไม่ไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่แต่งเนื้อแต่งตัวไม่สวยงามเพื่อให้เกิดความรู้สึกมีความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเอง<ม>แล้วก็ไม่นอนมากเกินไป<ม>นอนบนพื้นแข็งๆจะได้นอนไม่นานถ้านอนบนฟูกนานานี่มันจะนอนนานนี่คือกิจกรรมเพื่อที่มาหยุด หยุดกิจกรรมที่จะทําให้เราต้องกลับมาเกิดกันแต่มันเป็นจะหยุดแบบห้ามมันเท่านั้นเองแต่มันไม่ตามันในใจมันยังดิ้นอยู่เนี่ยมันมัอยู่ได้สวันเดี๋ยวมันก็ดิ้นไล่เรากลับไปกลับไปทํากิจกรรมมันเดิมลาศีลไปถือศีลแปดได้สาวันห้าวันก็ขอกลับบ้านกลับไปถือศีลห้าดีกว่าจะได้ดูได้ฟังได้กินได้ดื่มตามมัธยาศัย ถือสินห้านี้ไม่มีเวลาห้ามไม่มีเวลาห้ามกินห้ามดื่มห้ามดูห้า ม, ามฟังกินได้ตลอด24ชั่วโมงเพียงแต่อย่าไปกินของชาวบ้านเขท่านั้นเองอย่าไปขโมยของชาวบ้านมากินมาดื่มก็แล้วกันแต่ไม่ห้ามเรื่องเวลาเพราะรู้ว่าพวกที่ถือสินห้านี้กามยังแรงถ้าถือสินแปกก็จะสืไม่ได้อยู่ดีพวกที่กามน้อยลงถึงจะไปถือสินแปดได้ ถ้ากามยังแรงอยู่นี่มันถือศินแปดไม่ไหวสู้ไม่ไหวเดี๋ยวถือเดี๋ยวก็ตละแตกอยู่ดีถือแล้วเดี๋ยวมันสินขาอยู่ดีก็เลยไม่ถือกันถือแค่สินห้าไปก่อนแล้วเสือก็อาทิตย์ละวันวันพระมาถือสินห้ากั้ถือถือสินแปดเป็นสักครั้งหนึ่งเพื่อมาเสริมกําลังตอนต้นก็ถืออาทิตย์ละครั้งก่อนต่อไปอาจจะเพิ่มเป็นสองครั้งต่อไปก็สามครั้งต่อไปก็อาจจะ มาอยู่วันได้ทีเรายาวๆถึงสี่แปดได้ทีละเจ็ดวันสองอาทิตย์เดือนหนึ่งหนึ่งพันสาเนี่ก็หัดทําไปเรื่อยเพิ่มมันไปเรื่อยเป้าหมายคือตัดการมาทันหาตัวนี้เนี่แต่มันยังไม่ตายอันนี้เพียงเพียงแต่ตัดปีกมันไม่ให้มันเหมือ น, นกับต้นไม้ตัดแค่กิ่งตัดแค่ใบเท่านั้นเองสีลนี้ตัดได้แค่กิ่งแค่ใบแต่ลําต้นกับรากยัง ยังไม่ได้ตับมันมันยังงอกขึ้นมาได้ยังไม่ตายสมาธิก็ตัดตัดต้นได้แต่ตอยังอยู่รากยังอยู่ถ้ารากยังอยู่ในดินยังมีตออยู่เดี๋ยวมันโผล่ขึ้นมาใหม่ไดต้องใช้ปัญญาขุดรากขุดขุดรากถอนมันขึ้นมามันถึงจะตายอย่างขาวงนั้นการยากำจัดการมาตาหาได้มันต้องใช้ทั้งสีลงทั้งสมาธิทั้งปัญญา มันถึงจะสามารถกำจัดได้จะใช้ปัญญาเลยก็ไม่มีกำลังพอเนี้ยต้นไม้ใหญ่ๆคุณไปขุดรากถอนคนมาเลยไม่ได้หรอกมันต้นมันใหญ่ต้องท่อนต้องทอนกิน่งกิ่งก้านก่อนแล้วก็ตัดต้นกบอนพอเสร็จแล้วค่อยมาขุดรากออกขึ้นมาการฆ่าต้นไม้คือกามาตัณหานี่ก็เหมือนกันฟังตน้ตนก็ใช้ศีล ใช้สินแปะตัดกิ่นตัดก้างมันก่อนแล้วก็ใช้สมาธิตัดต้นมันแล้วก็ใช้ปัญญาถอนรากถอนโคนมันขึ้นมาอีกพอถอนมาที่นี้การมาตัณหาตายแล้วนี่รับลองได้ตายไปลาไม่กลับมาเกิดในการมาพบอีกต่อไปไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นเปนเป็นอะไรล่ะเนี่ยพระโสดาบันพระสกิดากามีพระอนาคามีพวกนี้ตัดกามาพบได้ห พระสวัสดาบาล ย, ยังตัดไม่หมดยังน้ำกลับมาอีกเจ็ดเจ็ดเจ็ดชาติพระสกิราาคามีก็ตัดก็เหลือชาติเดียวถึงจะตัดได้หมดพระนาคามีนี้ตัดได้หมดนะไม่ต้องกลับมาเกิดในการมาพบอีกต่อไปแต่ยังไปติดอยู่ในรูปประพบกับอารมณประพบที่เป็นภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาที่ละเอียดภาวะตัณหาก็รูปประชาน วิภาวะตัณหาก็อารูปประชานอันนี้ก็เองใช้ปัญญาตัดมันอีกทีนี่ถอนรากถอนโคนมันอีกทีพอถอนรากถอนโคนถอนภาวะตัณหาวิภาวตัณหาได้หมดแล้วทีนี้ก็จิตก็เป็นนิพพานไปจิตก็ไม่มีตัณหาทั้งสามคือการมาตัณหาภาวตัณหาวิภาวตัณหาที่จะมาฉุดรากให้จิตกรรมาเกิด ในตายพบอีกต่อไปจิตก็ไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปหลุดพ้นจากความทุกข์ของทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ที่นิพพานที่เป็นบรมมัสุขเวลมังสุขขันธ์ทุกคนทําได้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นพระนึกเป็นชีนึกเป็นฆราวาสเป็นแล้วไม่ปฏิบัติมันก็เหมือนกับไม่เป็นนัแหละ เป็นพระแล้วไม่ปฏิบัติเป็นเทีแล้วไม่ปฏิบัติมันก็เหมือนกับไม่เป็นเหมือนกับเป็นนักเรียนแล้วไม่ไปโรงเรียนเนี่ยเรียนงไงก็ไม่มีวันจบอะถ้าเป็นนักเรียนแล้วแต่ไม่ไปโรงเรียนไปเล่นกันแทนไปถึงโรงเรียนแทนนี้ก็โรงเรียนก็นั่งเล่นเกมกันอยู่ข้างนอกห้องนี้เรียนยังจะวันลัก็ไม่มีวันจบนั้นนั้นมันไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัยไม่ได้อยู่ที่หญิงที่ชายไม่ได้ที่ว่าเป็นนักบวช หรือเป็นคาราว่าไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นชีหรือเป็นพระไม่ได้อยู่ว่าเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้อยู่ว่าเป็นคนแก่หรือคนหนุ่มคนสาวมันไม่ได้อยู่กับสิ่งเหล่านี้จิตมันไม่มีประเภทมันไม่มีจิตมันสามารถจิตทุกดวงเหมือนกันจิตของทุกคนเหมือนกันมีเจตเดเหมือนกันแล้วก็สามารถรักษาศีลสมาธิปัญญาได้เหมือนกันทุกคนถ้ารักษาศีลปฏิบัต สมาธิปัญญาได้มันก็หลุดพ้นได้อังั้นเราอย่าไปกังวลกับเรื่องสถานภาพทางร่างกายให้กังวลสถานภาพทางใจว่าเรามีศีลหรือเปล่ามีสมาธิหรือเปล่ามีปัญญาหรือเปล่าถ้าไม่มีรีบสร้างมันขึ้นมาเนี่ยที่มาปฏิบัติกันนี้ก็อย่างน้อยเราก็ได้สองข้อใหญ่ๆแล้วได้ศีลแปดแล้ว เราก็ได้สติแนละถ้าหม่อนฝึกสติอยู่เรื่อยๆไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิทำกิจกรรมอะไรต่างๆก็ให้มีสติอยู่กับงานที่เราทำหรือพุโทโธพุโทโธกำกับใจไปเนี่ยอย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่องราวต่างๆแต่เวลานั่งสมาธิวันดีคืนดีมันอาจจะรวมให้เราก็ได้ถ้ารวมเราก็จะได้สมาธินีพอได้สมาธิมันจะไปเร็วแล้วพอได้สมาธินี้เราก็จะฝึกสมาธิให้ชำนาญได้ ให้มันนั่งได้นานขึ้นยาวขึ้นบ่อยขึ้นจะกระด้างมันสงบทั้งตลอดเวลาไม่ว่าจะนั่งหรือไม่นั่งพอมันได้สงบแล้วทีนี้ไปทางปัญญาแล้วพจิจารณาอ่านกายอานิจังทุกขังอนาตาพิจารณาอสุภะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังว่าเป็นตัวเราหรือเปล่าเราอยู่ในผมขนเล็บฟันหรือเปล่าพิจารณาไปเดี๋ยวม่นก็เห็นเลยว่ามันน่างกายทั้งนั่งกายไม่มีเรา เราไปตู่ว่ามันเป็นเราขึ้นมาเฉยๆนี่มันก็จะปล่อยวางร่างกายได้มันก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายมันก็จะสบายอันนี่คือเรื่องของการปฏิบัติพยายามทํากันเถอะเวลาของการเป็นของการเป็นมนุษย์นี่มันมีคุณค่ามาหาศาลถ้ารู้จักใช้มันถ้าไม่รู้จักใช้มันก็มันก็ไม่มีคุณค่าราคาเลย มันจะมีคุณค่าต่อเมื่อเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่จะสอนให้เราเอาเวลาที่มีคุณค่านี้มาทำประโยชน์ได้อย่างสูงสุดถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะ เ, เวลาไปค่าไปทำลายตัวเรากันตัวเราเองด้วยการไปทำตามกิเลสตัณหาไปเที่ยวไปกินไปดื่มแล้วก็มาร้องหมร้องไห้กันทีหลังเวลาที่ไม่ได้กินไม่ได้เที่ยวไม่ได้ดื่ม พยายามนะอย่างนี้คุณต่อท่านเป็นคนที่มีใจเมตตายามเสียสละที่ดินนมีคุณค่านะปัญญายากรายลนกี่ล้านคุณต้อบอบว่าที่ดินที่เราปฏิบัติอยู่สองร้อยล้านเดียวค่ะสองร้อล้านเอาไปสร้างคอนโดนสร้างอะไรนี่มีรายได้เข้ามาเยอะแยะเลยลงแรงเอามาทําสถฐานที่ปฏิบัติทมแทนเพื่อที่ให้เพื่อนชาวพุทธเราที่ฝ่ธรร ได้มีโอกาสมีสถานที่ปฏิบัติธรรมซึ่งหายากถึงแม้จะมีวัดวาเลื่ยะวัดส่วนใหญ่อย่างนี้ไม่มีการปฏิบัติธรรมเลยมีแต่กิจกรรมอะไรเล่เทปไปหมดอันนี้กลายเป็นศูนย์การค้าก็มีเป็นตลาดนัดไปก็มีเป็นดังบันเทิงก็มีวัดบางวัดทั้งทั้งที่เป็นวัดนที่มีเป็นสถานที่ที่จะควรที่จะ เป็นที่บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญากันก็ไม่ได้มีกันดังนั้นถ้ามีที่อย่างนี้ก็รีบตักตัวประโยชน์จากที่เหล่านี้เถอดเพราะไม่รู้อนาคตว่าจะมีอะไรเ ป, ปลี่ยนแปลงต่อไปหรือเปล่าตอนนี้มีโอกาสก็รีบปฏิบัติกันเดี๋ยวอย่างโบราณที่ท่านว่าน้ำขึ้นให้รีบตักหรือเวลาน้ำลดนทำไมมีน้ำจะให้ตัก อนาคตไม่มีใครรู้น้ำจะลดเมื่อไหร่เนีตอนนี้มีน้ำให้รีบตักเก็บไว้ในตุ่มกันเพราะเรามีน้ำในตุ่มนวะน้ำจะลดก็ไม่เดือดร้อนนะพอเราได้ทำมาในใจแล้วทะนี้ถานไม่มีส ถ, ถานที่ปฏิบัติก็ไม่เดือดร้อนนะอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้นะก็พยายามเล่นความเพียรกันอยากคุยกันอยากจากกลุ่มกันพยายามมาเวลานี้มาเจริญสติกันมารักษาศีลกันนั่งสมาธิกัน สังเทศฟังทางให้เกิดปัญญากันแล้วจิตใจของเราจะพัฒนาก้าวหน้าขึ้นไปตามลาดับอย่างแน่ น, นอนการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอรอยะถ า, าวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุ ป, ปกาปติ อิจิตังปฏติตังตุลฐานคิะเมวะสมิจจตุสตาเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตะตวรายโยสุขีทีคายุโกภะ อาพิวาเทนะสีิตสัมิจังวุฒาปจายโนจตารโอธัมมวัฏานติอายุวันโอสุขังภาลังใครมาทีหลังอยากจะเอาข้าวขอมาประเคนถวายก็เข้ามาได้ใครต้องการหนังสื อ, อามาหยิบไปมีหนังสือบาบาตาอาจารย์หน้านึ่ เดี๋ยวกายจะหมดแล้วเดี๋ยวหมดแล้วไม่มีนะใครอยากจะได้พายามเป็นคู่มือของการปฏิบัติได้ดีแล้วจะมีศรัทธาจะรู้แนวทางการปฏิบัติของหลวงปู่มั่นว่าท่านปฏิบัติอย่างไรไม่รู้ที่ไหนเลยตอนที่นึ่งในสวนกําลัง เขาปนาก็ม well, so so, ีท in ี <Pues> ่เร <nope. S 1> <sao> ียนแล้วก <remembered> ็สร้างกระตอมให้ผ <are> ู้หญิงอยากจะไปปฏิบัติก็มีที่อยู่เป็นพัทยาเลยก็อยู่ในทางคุณแม่ชีนี่เลยกล้กับป่าสิทธิ์ทวารหน้าออยู่หนองเบือป่าปานหนองเบือค่ะใกล้ใกล้กับวัดเลยเริ่มสร้างหรืยังเสร็จแล้วครับทำอะไรดคะชื่ออะไร เขียนปิบัติธ่มาในสวนาไปดูในเบุ๊กได้ไปดูธรรมะในสวนต้องเสด็จเข้าไปดูกัได้วันนี้ทางเฟเข้ามาเท่าไหร่กสูงสุดสามร้อยเจ็ดสบสี่ค่ะน้อยค่ะอมันขายมั้ยทางยูทูบสูงสุดเก้าสิบเอ็ดค่ะอันนี้สัญญาไม่สะดวกค่ะ พ, พระอาจารย์ครับคำถามาที่หลวงตาบอกว่านิพานอยู่ฝ้าตายแล้วช่วงหลังท้ายๆเนี่ยมันจะต้องสู้ถึงหะับตายกันไปข้างเลยกับเวทนาใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าในการปฏิบัติเนี่ยในขั้นเบื้องต้นเนี่ยไม่ว่าจะมีวิธีใดก็ตามแต่ที่สามารถทำให้กดเวทนาไว้ได้หรือไม่สนใจเวทนานั้นอ่ะแต่เมื่อผ่านจุดนี้ไปเมื่อถึงจุดที่ใกล้จะสูงสุดแล้วเนี่ย ก็ต <lavoro S 2> so ้องตักทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งเพื่อลุยกับเวทนาของจริงรู้เป่าคราจารย์ก็เวทนาไม่ช้ากันเลยแล้วต้องเจอมันอ่ะให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยตอนนี้เราฝึกเพื่อที่ยังเหมือนซ้อมเยเหมือนเหมือนฐานที่เขาซ้อมลบเารู้ว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องเข้าสงครามงั้นก่อนจะเข้าสงครามถ้าเขาซ้อมไว้ก่อนมันโอกาสที่จะชนะถ้าศัตรูได้นี่ก็มีถ้าไม่ซ้อมเลยนี่พอเกิดสงครามขึ้นมาก็ สู้กับไม่ไมันนักมวยเนี่ยนักมวยถ้าไม่ซ้อมชกก่อนจะขึ้นเวทีพอไปขึ้นเวทีโดนหมัดเดียวก็นับสิบแล้วถ้าซ้อมไม่ก่อนก็จะรู้จักวิธีหลบหมัดวิธีต่อสู้กับคู่ต่อสู้ทุกเวทนาเ <c oughs> <c oughs> นี่ยมันเป็นความเจ็บของทางร่างกายที่เราจะต้องเจอกันเวลาเป็นโครคภัยไข้เจ็บต่างๆถ้าเรา ไม่รู้จักวิธีปฏิบัติกับมันเราจะทุกทรมานใจมากเราจะกลัวมันมากแต่ถ้าเรารู้จักวิธีปฏิบัติแล้วเราจะไม่กลัวเราจะอยู่กับมันได้เราจะเฉยปูกใจให้เฉยกับมันได้ไม่เดือดร้อนเจ็บท้องปวดท้องไม่ต้องไปหายาแก้ปวดหัวมากินให้มาเสียเวลาปล่อยมันสอยมันเองเดี๋ยวมันหายเอง เวลาตายก็ให้มันเจ็บไปจกนกระทั่งมันหมดลมพอหมดลมมันก็หายเจ็บไปถ้าฝึกก็ต้องนั่งสมาธิไปเวลาเจ็บก็อย่ากไปขยับมันมาขยับที่ใจอย่าไปขยับที่ร่างกายขยับที่ใจเพื่อใจมันดิ้นพอใจพอร่างกายเจ็บนี้ใจมันดิ้นหนีเพราะยั้นดิ้นหนีอยากจะให้หนีจากความเจ็บ ยิ่งอยางนี้ยิ่งทุกข์ทรมานใจถ้าจับให้มันอยู่นิ่งๆได้มันจะไม่ทรมาร์ยวิธีจะใช้มันอยู่นิ่งก็สองวิธีวิธีง่ายๆวิธีแรกก็คือสติตอนมันเจ็บก็พุทโธพุทโธไปอไปคิดถึงความเจ็บเลยป่อยมันเจ็บไปแต่ใจเรานี่อยู่กับพุทโธแล้วมันจะไม่ดิ้นมันจะมันจะนิ่งแต่ถ้าเราหยุดพุทโธเมื่อไหร่มันก็จะดิ้นเวันนั้นพุทโธมันดีตอนที่มันถัก มันมันง่ายแต่มันทําได้ชั่วคราวรักหยุดการดิ้นของใจได้ชั่วคราวพอเราหยุดสติเมื่อไหร่เดี๋ยวมันก็ดิ้นขึ้นมามา่ถ้าจะใช้ปัญญานี้มันจะทําให้ใจนี้ไม่ดิ้นไปตลอดเลยปัญญาจะแยกใจออกจากร่างกายจะสอนใจให้แยกออกจากร่างกายให้รู้ว่าร่างกายไม่ใช่ใจอย่างที่เมื่อกี้สอนให้เราไปค้นหาหาใจว่าอยู่ตรงไหนอยู่ที่ผมอยู่ที่ขนอยู่ที่เลือก อยูตรงที่มันเจ็บเลยตรงที่เจ็บใจอยู่ตรงนั้นเลยตอนนั้นมันเจ็บตรงไหนเจ็บตรงกระดูกใช่ไหมมานั่งันก็เจ็บตรงกระดูกเจ็บตรงเส้นแล้วเจ็บตรงเนื้อตรงนั้นมีใจอยู่เท่ากันมันไม่มีเราก็แยกใจออกจากกระดูกออกจากร่างกายแล้วก็รู้ว่าใจไม่ได้เจ็บเลยที่เจ็บก็คือร่างกายที่ไม่เดือดร้อนเลยน่างกายมันเจ็บขนาดนั้นมันไม่เคยบวดเลย ร่างกายไม่เคยบวดแม่ฉันเจ็บกระดูกไม่เคยบวดแม่ผมเจ็บเนื้อหนังเนี่ยมันเจ็บม่เคยบวนไม่เคยบวดเลยไอตัวที่บวดคือจิตเนี่ยจิตใจที่ไปตัวรู้ไปรู้ว่ารู้ความเจ็บของร่างกายแล้วก็ไปไปกลัวความเจ็บของร่างกายเหมือนคนดูหนังผีแล้วก็ไปกลัวผีในจอหนังนั่นแหละนะว่าผีในจอหนังมันมาทําอะไรเราได้ห้างดูทำคนดูได้บ้างแล้วทําไมคนดูไปกลัวมันน่ะ บาทีไม่กล้าลืมตาเลยนะกลัวมากๆมีคอนหลับตาดูเลยเพราะมันโง่มันหลงมันไปคิดว่าตัวเองอยู่ในจอใจก็เหมือนกันมันโง่มันไปคิดว่ามันอยู่ในร่างกายมันคิดว่ามันเป็นร่างกายพอร่างกายเจ็บมันก็เลยเจ็บแทนร่างกายกลัวแทนร่างกายไปนั่นเองอันนี้ต้องการสอนใจให้ดึงใจออกมาจากร่างกายให้รู้ใจเป็นผู้ดูร่างกายเป็นผู้รับรู้ร่างกายรู้ความเจ็บของร่างกาย แต่ผู้ที่เจ็บนี่คือร่างกายเขาปล่อยเขาเจ็บไปสิพอรู้มันคุยกันไปคุยมาเนี่ยไล่สอบพิจารณาในขณะที่เจ็บเนี่ยต้องเจอความเจ็บถึงจะพิจารณาแล้วจะได้เห็นผลพอคุยไปคุยมากับใจเนี่ยในที่ใจมันเข้าใจอ๋อเข้าใจมันก็เลยเฉยมันก็เลยไม่ไม่ดิ้นปล่อยให้เจ็บปล่อยให้ร่างกายเจ็บไปใจก็เป็นอุนเบกขาไปใจก็สงบเย็นสบาย อยู่กับความเจ็บได้อันนี้คือวิธีที่เราจะมาฝึกเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บของร่างกายวิธีแรกก็คือใช้สติตไปก่อนถ้าเราใช้ปัญญาไม่มีกําลังที่จะใช้ปัญญาได้มันต้องมี ม, มีส ต, ติแรงมากแล้วก็มีสมาธิอยู่พอสมควรถ้าไม่มีแล้วมันสู้ไม่ไหวเห็นตอนต้อตอนเรายังไม่มีสติตไม่มีสมาธิเราต้องใช้สติตก่อนฝึกส ต, ติใช้สติตพุโทโธ เวลาเจ็บตรงไหนก็อย่าไปสนใจบริกรรมพุทโธให้มันถี่ไปเลยอย่าให้ใจไปคิดถึงความเจ็บพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้มันขาดใจไปกับพุทโธเลยแล้วความเจ็บที่มันมียังอยู่แต่ความทรมานใจจะไม่มีใจจะไม่ดิ้นใจจะหยุดดิ้นแต่พอหยุดพุทโธเมื่อไหร่เดี๋ยวมันก็ดิ้นใหม่ก็ต้องพุทโธใ่ไอันนี้ก็เป็นการฝึกขั้นแรกโดยการใช้สติ สู้กับเวทนาก่อนพอเราสู้กับเวทนาด้วยสติได้แล้วต่อไปเราก็มาหัดใช้ปัญญามาถามใจว่าใครเจ็บกันแน่ร่างกายเจ็บหรือใจเจ็บใจเป็นอะไรใจเป็นผู้รู้ใช่ไหมใจเป็นคนดูหนังใช่หมส่วนตัวแสดงหนังมันอยู่ในจอใช่ห้นคนละที่กันนะคนดูจะไปเจ็บแทนคนแสดงทำไมคนแสดงถูกยิงถูกแทงถูกอะไรคนดูไม่ได้ถูกยิงถูกแทงด้วย ร่างกายมันจะถูกแทงถูกยิงถูกอะไรใจก็ไม่ได้ถูกยิงด้วยใจเป็นคนดูร่างกายดูแลร่างกายเท่านั้นเองแยกมันออกมาสอนใจจนในที่สุดมันใจมันเห็นความจริงมันก็จะปล่อยร่างกายมันก็จะเฉยมันไม่ดิ้นร่างกายจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปบางทีมันก็ความเจ็บมันก็จะลดลงเกิดหายไปเหลือนิดเดียวอะไก็ได้พอความเจ็บจริงๆมันนิดเดียว แต่ใจไปขยายมันให้มันใหญ่ขึ้นไปทำไมหมอยังไม่ทันฉีดยาอเลยบอเดี๋ยวจะฉีดยาสักเข็มหนึงนี้มันเจ็บขึ้นมาก่อนแล้วในใจเนี่ยอันนี้แหละเกิดเรื่องของใจปัญหาคือมันปรุงแต่งมันขยายความเจ็บใจเจ็บนิดเดียวกลายเป็นเจ็บใหญ่โตด้วยความขยาดความกลัวความไม่ชอบความเจ็บเนี่ยมันจึงทําให้เราทรมานใจกันถ้าเราฝึกบ่อยๆแล้วใจมันจะเชื่องกับความเจ็บ มันจะอยู่กับความเจ็บได้เหมือนคนที่กินพริกเนี่ยถ้าไม่เคยกินพริกเนี่กินเม็ดเดียวเนี่ยโหแผ่งแสนเผ็ดเลยแต่คนที่เขาเคยกินเขากินทีระรร ม, มือแม่งก็เผ็ดเลยเขาเขาปรับใจของเขาให้รับกับความเผ็ดของพริกได้อันนี้ก็เหมือนกันเราต้องมาปรับตัวเราให้อยู่กับความเจ็บให้ได้เวลามันเจ็บแล้วอย่าไปหนีมันถ้าหนีมนาแล้วจะไม่มีวันที่จะแก้ปัญหาเพราะมันจะตามมาหาเราอยู่เรื่อย เพราะงการมันธรรมชาติของมันจะต้องเจ็บอยู่เรื่อยๆไม่เจ็บตรงนั้นก็เจ็บตรงนี้แต่ถ้าเรามาหัดอยู่กับมันให้ได้ฝึกให้ทําใจของเราให้เฉยกับมันให้ได้ต่อไปมันเจ็บตรงไหนเราจะไม่เดือดร้อนดังนั้นการต่อสู้กับสภาวะความเจ็บเนี่ยจะต้องไม่อยู่ในสภาวะใดสภาวะหนึ่งเช่นอัปนาอุปจาระหรืออะไรอย่างนี้หรอครับไม่ไม่ถ้าเข้าไปมันก็ไม่ได้ต่อใช่ไหมมันก็มันก็เหมือนกับว่า เหมือนนอนหลับเนี่ยเวลานอนหลับเนี่ร่างกายปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้เราจะไม่ค่อยรับรู้เท่าไหร่ถ้าเข้าสมาธิก็เหมือนกันนี้มันถ้าจะจะอยู่กับถ้าจะสู้กับมันจะปรับตัวให้ใจให้อยู่กับมันได้ก็ต้องไม่เข้าไปในสมาธิแต่ให้มันเป็นอุเบกขาให้มันเป็นให้มันเฉยเฉยกับความเจ็บให้มีความเจ็บอยู่แล้วก็ให้มันเฉยกับความเจ็บธีให้มันเฉยความเจ็บก็ใช้สติเนี่ย ไม่ใช้ปัญญาสองตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งพรอาจารย์ครับได้อีกอย่างเลยครับที่สงสัยสภาวะทุกสภาวะไม่ว่าจะเป็นคณิกะอุปจาระอั ป, ปนาทุกทุกสภาวะนะครับอาจารย์ทุกสภาวะต้องมีสติกำกับไหมครับอาจารย์มีต้องมีนะครับไม่มีไม่ได้สมาธิทั้งสามตัวนี้ต้องมีสติตัวแรกที่จะได้ก็คือคณิกะ พ ล, ลังกนะานี่มันจะสงบแปบเดียวแล้วก็ถอนออกมาเหมือนกับงูแลบลินนะอัปปนานี่มันสงบแล้วมันจะนิ่งนานอัปจารสมาธินี่พอได้อัปปนาแล้วมันไม่อยู่ในอัปปนามันไม่นิ่งมันออกไปช่องช่องโลกทิพมันจะไปรับรู้เรื่องกับภูทิพตาทิพเสียงทิพกลิ่นทิพเนี่ยอันนี้อุปจารสมาธิพวกที่มีอภิญญานี่เขาต้องใช้อุปจารสมาธิ พระพุทธเจ้าเวลาติดต่อกับเทเวดาก็อยู่ในอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิที่ต้องผ่าน อ, อัปปนาสมาธิการคนที่ศึกษาทางตําราเข้าใจว่าต้องเข้าอุปจาระก่อนถึงอยากถึงอัปปนาพอเขาเขาไปอ่านคำว่าอุปจาระเหมือนกับกําลังจะเข้าความจริงไม่ใช่ตามหลักที่ปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านบอกว่ามันต้องเข้าอัปปนาก่อน อปปนามันถ้านิ่งเฉยเฉยไม่ออกไปรับรู้อะไรก็เป็ น, ปนอปปนาถ้าอปปนาแล้วออกไปไปรับรู้รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์เนี่ยมีตาทิพยูทิพย์ขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าไปอยู่ในอุปจาระไปได้อภิน ญ, ญาละไม่ละลึกชาติได้ก็ไปอยู่ในอุปจารสมาธิอปปนาสมาธิเนี่ยผมผมไม่แน่ใจครับพระอาจารย์เคยบอกไว้ จะต้องไม่ได้ยืนเสียงด้วยใช่ไหมครับก็หมดเลยถ้ามันลงเต็มที่ร่างกายหายไปเลยจะเห็นอย่างเดียวคือสติแล้วตัวู้สั่งแต่ว่ารูลงหมายใจได้ไหมนะหายหมดร่างกายไม่มีเลยถ้ามันลงเต็มที่แล้วมันจะเอาสติมาจากตรงไหนครับอาจาสติมันอยู่ในใจมันไม่อยู่ที่ร่างกายรู้นอสตินี่มเป็นตัวที่กำกับใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแล้วอย่างหายไปหมดจนเหลือแต่ ดวงไฟดวงก็ยังม ก, กา ย, ยอะไรไม่มีค<ะ>ถ้ามันหายหมดยังมีดวงไฟมันก็ยังไม่มันยังไม่สงบเต็มที่มันยังปรุมแต่งอยู่ดวงไฟนี่ยังเกิดจากสังขารความคิดปรุงแต่งอยี่ต้องมันว่างไปเลยเหมือนลอยอยู่ในอาวากาศนี่ถึงจะเป็นอัปปนาสมาธิเวลานั้นไม่มีเหมือนกไ็ไม่มีเวลาเหมือนเวลานอนหลับเนี่ยออกจากสมาธิมาเวลาผ่านไปชั่วโวงมงว่าแป๊บเดียว มันจะไม่รู้สึกเรื่องเวลาเลยมันอัปนามันได้สองแบบนะคือแบบที่ร่างกายไม่หายไปก็มีแบบนี้แบบไม่ไม่เต็มร้อยเป็นแบบยังรับดูร่างกายอยู่แต่ใจเป็นอุเบกขาใจเฉยใจไม่เดือดร้อนกับเสียงไม่ลาคาญกับเสียงที่ได้ยินไม่ลาคาญกับอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ของร่างกายอันนั้นก็เป็นอัปเป็อุเบกขาเป็นอัป น, อนานอีกแบบรวมอีกแบบรวมแบบ ยังรับรู้รูปเสียงเก่งรบอยู่รวมได้สองแบบแต่ถ้ารูปแบบอัปปนาอุปจาระนี้มันไม่รับรู้เรื่องร่างกายนะโวกที่เขาไปในอุปจาระไปติดต่อกับเทวดานี่เขาไปคุยกันไปรับึกชาติไปอะไรเงี้ไปไปเที่ยวสวรรค์ไปเที่ยวแลาวโลกติดต่อกับดวงวิญญาณอะไรต่างๆนะี่เขาเขาจะไม่รับรู้เรื่องร่างกายจนะิตเขาจะอยู่กับในโลกคิดนะ หนช่วยอยาช่วยอยคุยกันได้ไหมหนุ่มจั๊กนะหนูจะคุยกันเดี๋ยวไปเรื่องที่ตรงชั่นโทพในบ่ยายจะได้ไม่ต้องแขกกันใช่ครับอั ป, ปนาเนี่ยถ้าเกิดว่าน่มันไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วจะทํายังไงไม่ให้มันหลับครับพ่าจังอ๋อไม่หลับถ้ามีอัปานาสติมันตื่นตัวตลอดเวลาสติเป็นเองเลยใช่ไหมครับมันตื่นตัวตลอดเวลาแต่ถ้าถ้าบิ่งจนหลับนั่นคือหลับ อ่าหลับสติไม่มีอเส่วนใหญ่มันจะดิ่งหลับกันทั้งที่ปฏิบัติกันไหมดิงแบบหลับแต่ถ้ายังได้ยินเสียงอยู่แต่ไม่สนใจก็ไม่ใช่อัปนาก็เป็อปนาจะ่แมนูเบคขาอ๋อแมนูเบคขาแมนูเบขาเนีรวมเหมือนกันแต่รวมแบบไม่ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้หลุดจากร่างกายยังรับรู้เรื่องของทางตาหูจมูกนิ้วกายรวมได้สองแบบรวมแบบอัปนาแบบ หายไปเลยทุกอย่างหายไปเลยอัปนานมีสอแบบแบบที่ยังรับรู้ร่างกายอยู่กับแบบที่ไม่รับรู้ร่างกายไม่ต้องว่าถ้าเกิดว่าเราผ่านการเจริญสติผ่านอะไรที่จะทําให้เราเมื่อเข้าอัปนานแล้วเนี่ยมันไม่หลุดสู่หลับได้ครับอาจารย์ก็สติไสติก็คือการเจริญสติในชีวิตประจำวันเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหม ถ้เาเราเจริญบ่อยๆสติมันจะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้น ม, นมันจะไม่เผลอมันจะรู้ตัวตลอดเวลาถือบอกว่าสตินี่เป็นธรรมที่จําเป็นอย่างยิ่งสําคัญที่สุดในบรรดาธรรมทั้งปวงของพระเจ้าหรอกสตินี่เป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําคัญที่สุดท่านเปรียบเหมือนกับรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี่มันหยียบมันใหญ่กว่ารอยเท้าทั้งหมดของสัตว์ทั้งหมดในป่า ไม่มีสัตว์ตัวไหนที่จะสามารถเอามาครอบรอยเท้าช้างไนดะ้มีแต่รอยเท้าช้างที่จะครอบรอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดไดน้นี่คือยกเว้นไดโนเสาร์นะถ้ามีแต่สมรรามารารไม่มีเดี๋ยวลูกเสดจะมาเฉียงมาตอไดโนเสาร์ไดโนเสาร์มันเป็นสัตว์อมสัตว์ในจินตนาการอาจจะมีในอดีตก่อน ที่ยังไม่มีใครค้นพบในสมัยพุทธกาลไม่มีใครรู้จักไดโ น, นเสาร์สมัยปัจจุบันนี้ทางวิทยาศาสตร์เขาอาจจะเก่งเข้าไปค้นพบรอยเท้าของไดโ น, นเสาร์ที่ฝังอยู่ในหินก็ได้เจอกระดูกของไดโ น, นเสาร์อะไรพวกนี้ต่นี่เราพูดถึงแบบสัตว์ที่มีอยู่ในสมัยพุทธกาลสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในสมัยพุทธกาลก็คือชา้างถ้าจะ ถ้าจะเอาสมัยเด็กดํบาบันก็อาจจะต้องเอาเอาไดโนเสาร์มาพระอาจารครับอีกอย่างครับแล้วถ้าในอารมณ์สมาธิเนี่ยเหมือนกับว่าไม่รู้สึกตัวไม่อะไรแต่เสียงเข้ามาบ้างอา่าได้ยินบ้างแต่ไม่สนใจเป็นอุเบกขาอา่าแต่ต้องอยู่กับพุทธโธนั่นขั้นไหนไวะยังที่ต้องมีพุทธโธหรือดูล <ง S 1> มใบชัยก็ยังไม่สงบเต็มที่ยังไม่นิ่งยังกําลังกําลังกําลัง เข้าอยู่การแรกก็ชามหนึ่งชามสองก็ได้ชามหนึ่งเขจะมีวิตกวิจารณ์เนี่ยวิตกวิจารณก็คือพุทโธเนี่ยพุทโธพุทโธนี้กําลังวิตกกําลังวิจาร์วิตกก็คือนึกถึงพุทโธวิจารณก็รู้ว่าเรากําลังพุทโธอยู่วิตกวิจาร์วิตักวิตกวิจารแล้วเดี๋ยวพอวิตพอวิตกวิจารณหายไปมันก็จะพอหยุดจิตนิ่งแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นปิติสุขเป็นอุเบกขาขึ้นมาอีกที แ ล, แล้วมีผู้ปฏิบัติครับอาจารย์บางท่านเนี่ยเขาบอกว่าพอเขาเข้าไปนั่งเนี่ยนิ่งนิ่งหมดแล้วเนี่ยเขาบอกเขาออกไม่ได้ก็ราะอะไรครับอาจารย์เขาออกจากตรงนั้นไม่ก็ยังไม่ถึงเวลาออกเลยเวลาจิต<อ>มัน น, นิ่งมันไปสั่งมันไม่ได้อนอกจากเราบังนอกจากเรามีสติมากๆแล้วก็สมมั่งมันนึงมันออกมาได้แต่โดยปกติแล้วบางคนบา ง, งคนอาจจะนิ่งแล้วอาจจะไม่มีกําลังที่จะสั่งมันก็ต้องรอให้มันถอนออกมาครับ มันต้องออกมาได้่ยไม่มันจะเล่าให้เราฟังได้ไงแต่ว่าตอนนี้มันเข้าไปมันไม่มันมันรู้สึกว่ามันเหมือนกับไม่รู้จะออกยังไงมันก็เลยอยู่นั้นไปก่อนแต่สมาธิที่เราต้องการคืออัปปนาสมาธิต้องการให้มันนิ่งเฉยๆเป็นอุเบกขาไม่ต้องการอุปจารสมาธิอุปจารสมาธินี้จิตจะไม่เป็นอุเบกขาจิตมันจะมีปฏิกิริยากับ สิ่งที่บรรพย์อกบรู้ไปเห็นอะไรอ า, อาจจะเกิดความรักความชางขึ้นมาได้แล้วเวลาออกจากออกจากอุปจารสมาธิมาจิตจะไม่มีกําลังจะไม่มีอุเบกขาไม่ใจจะไม่เฉยพอเจออะไรสัมผัสอะไรก็จะรักชางขึ้นมาทันทีแต่ถ้าอยู่ในอันปปนาสมาธินี่อยู่กับอุเบกขานี้เวลาออกมานี่มันยังจะมีอุเบกขาติดค้างอยู่ ยังรู้สึกมีความสดชื่นมีความสงบมีความาไม่รักไม่ชังอยู่เหมือนกับเราอาน้าไปแช่ในตู้เย็นเนี่ยถ้าแช่แล้วเวลาเอามาในน้ามันยังเย็นอยู่แต่ถ้าเอามาไว้สักพักขึ้งแล้เดี๋ยวมันก็จะเริ่มหายละอุเบกขาจะค่อยๆหายไปเพราเวลาหลังจากที่ออกจากสมาธินะแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเป็นเหมือนจิตเดิมจิตที่ไม่มีอุเบกขาก็ต้องกลับไปให่ พยายามกลับเข้าไปทําให้มันเย็นอยู่เรื่อยๆเข้มาแล้วพอมันจะหายเยน็นก็กลับเข้าไปนั่งสมาธิเลย่างนัน้นปฏิบัติก็จะทํานี้ทั้งวันทั้งคืนเพื่อที่จะทําให้มีอุเบกขาอย่างต่อเนื่องเวลาออกมาก็มีเวลาตรนจะหมดก็เข้าไปใหม่แล้วต่อไปอุเบกขามันจะยาวขึ้นยาวขึ้นเวลาออกมาแล้วมันจะมียาวขึ้นแสดงว่าจิตเนะี่ยมันไปเหนื่อยอยู่ กับออรุปจารสมาธิจิตมันไปเหนื่อยอยู่กับโลกทิพย์ใช่ไหมครับอาจารยมันก็เลยหมดกําลังใช่มันไปโลกทิพย์มันก็ไประ ล, ลึกชากตชิมันก็ต้องใช้เหมือนก็ต้องใช้พลังจิตระ ล, ลึกในคุยกับเทวดาก็ต้องเหมือนนั่งคุยอย่างเนี้จิตก็เลยต้องใช้ความปูแต่งพูดง่ายก็คือถ้าเข้าอุปจาระเนี่ยเสียเวลาเสียเวลาหลงทางาพระอาจารย์ไม่แนะนําให้ไป เขาจะไม่ไม่เป็นที่สนับสนุนวิปัสนาวิปัสนานี้คือการเห็นความจริงว่าทุกอย่างเป็นตายรักไม่เที่ยงเป็นอสุภะพอเราเห็นแล้วเราจะได้หยุดตัณหาได้ความอยากได้ถ้าเราไม่มีกำลังเราจะไม่สามารถมองเห็นอุปจาระไม่สามารถมองเห็นอสุภะมองตเห็นตายรักได้พอเกิดความอยากขึ้นมาก็จะหยุดมันไม่ได้ พยายามฝึกอัปปนาสมาธิให้จิตนิ่งเฉยๆให้สักแต่ว่ารู้เป็นอิเบคามีความสุขแล้วเวลาเกิดกิเลส ข, ขึ้นมาเราก็จะได้สู้กับมันได้เพราะว่าไป ท, าทําตากิเลสสุกเดี๋ยวๆแล้วเดี๋ยวก็เรามาร้องหมร้องไห้ทีหลังเพราะสิ่งที่เราได้มาเดี๋ยวก็ต้องเสียไปหมดไปนือต่อไปร่างกายตายก็ต้องจากทุกอย่างที่หามาได้ไป พระอาจารย์ครับการเจริญสติเนี่ยถ้าพูดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยนับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของของที่ของสติที่จะมาช่วยในอัปปนาสมาธิครับพระอาจารย์ก็ร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นเลยครับถร้อเปอรเซ็นต์นั่นสมาธิห้านาทีก็เข้ากนะันแล้พุโทโธพุโทโธเมื่อที่ไม่ไปคิดอะไรอยู่ห้านาทนะีมันก็มหมดเลย<ม>ถ้าห้าสิบพุโทโธคําไปกขนมคําพุโทโธคํกากำขนมคํานี่มันก็ มันก็ไม่เข้ามันต้องมีสติจดจ่อเป็นสัมผัสชั้นยะเลยไม่ไปไหนเลยไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยอยู่กับเรื่องนี้เรื่องเดียวดูลมก็ดูลมอย่างเดียวกันเลยพูดโธก็พูดโธอย่างเดียวเลยไม่ววบไปหาเรื่องนั้นหาเรื่องนีน้ถ้าขับรถก็ต้องอยู่บนถนนตลอดเวลาไม่ฉลับลงข้างถนนฉลอบไปใช่ไหม <S <S ยนะะั้นแหละคุณหมอต้องฝึกสติให้มากตลอดเวลา การแต่งลืมตาขึ้นมานี่ถ้าไม่รู้จะใช้สติแบบไห น, นก็ออกพุโทโธไปก่อนนะอะไเด็บพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปทําอะไรก็พุโทโธพุโทโธไปแล้วต่อไปเดี๋ยวพุโทโธมันจะมีกําลังมากขึ้นไปตามเวลาแล้เวลานั่งก็จะไม่ไปลหนก็อยู่กับพุโทโธเพีเดียวมันก็มันก็จะดล่งเข้าสู่ความสงบอย่างการปฏิบัติมันไม่ต้องมีเวลาอยู่คนเดียว เพาะถ้าอยู่กับคนหนึ่งทําอะไรธุระนี่มันไปหมดละไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปกับคนนั้นคนนี้มันไม่ได้อยู่กับทุบโธมันไม่ได้อยู่กับปรจิมันมันไม่ได้อยู่กับเรื่องเดียวมันอยู่กับหลายเรื่องมันก็จิตก็ปุงแต่งยิ่งเือะมากเรื่องก็ยิ่งยิ่งปุงแต่งมากยิ่งน้อยเรื่องมันก็ปรุงแต่งน้อยใช่ไยิ่งไม่มีเรื่องมันก็ไม่ปรุงเลยนะเราต้องการหยุดความคิดปุงแต่ง ตัวปรุงแต่งเนี่ยที่ตัวทำให้จิตมันไม่เข้าเข้าไปในสมาธิถ้าอยู่ตัวปรุงแต่งได้ไหมมันก็จะเข้าไปในสมาธิมีคำถามบ้านมีคํ า, า, า, าถามไหมคําถามจากคุณศิริการค่ะตานีนอกใจจะตัดใจอย่างไรดจ้าคะก็เกีว่าเป็นหมาก็แล้วกัเป็นเนรัจฉานาแล้วมันอะไรร่างกายเป็นคนแต่ใจมันเป็นหมาแล้ว เป็นเลราฉานะันนะหมาเดือนเก้ามันเจอใครที่ไหนมันก็เอาละแต่เน้อหมาเดือนเก้านี่ช่วงหมาที่มันตกมันนี่โอ้โมันทั้งคืนมันวันหาวมันหอยกันทั้งคืนมันไล่กัดกันทั้งคืนอันนี้ก็เหมือนกันคำถามจากคุณทีรวิทย์ค่ะเวลาคนเราตายแล้วดวงจิตจะไปเกิดตามบุญตามบาป ท, ที่เราทำเลยใช่ไหมครับอ มันเป็นมันไปตามบุญตามบาปตั้งแต่ยังไม่ตายเนี่ยนะพอทําผิดศีลไปเป็นมีชูนี่ก็ไปเป็นเดรัชานแลใจเป็นเดรัชานแล้วแต่ร่างกายยังเป็นมนุษย์อยู่ ถ, <ำ> ถ, ถ้าทำถ้าทําบุญก็ไปเป็นเทวดาละทั้งทั้งที่ร่างกายยังเป็นมนุษย์อยู่ใจมันไปก่อนและเข้าใจไหมคำถามจากคุณไอซ์เบอร์รี่ค่ะเวลาอ่านหนังสือหรือทํางานอยู่ สมาธิมักจะไปอยู่กับงานนั้นหมดกว่าจะมีสติรู้ตัวเวลาผ่านไปเป็นชั่วโมงแล้วแบบนี้ควรจะแก้ยังไงคะไหนไม่เข้าใจ้องอ่านหน่อยดิวยเวลาอา่านหนังสือหรือทางานประจาอยู่สมาธิมักจะไปอยู่กับงานนั้นหมดกว่าจะมีสติรู้ตัวเวลาก็ผ่านไปเป็นชั่วโมงแล้วแบบนี้ควรแก้ยังไงคะเวลาทางานมันก็มีสติอง่ ก, การทางานมันจะไปแก้ตรงไหนมัน มันก็มีสติอยู่แล้วแต่เป็นสติที่ไม่ดิ้งพะยังไงสติใช้ความคิดอันนี้ไม่ใช่สติเพื่อทําใจให้เป็นสมาธิถ้าอยากจะทำให้ให้ใจเป็นสมาธิต้องเป็นสติแบบไม่คิดเช่นดูลมอย่างเดียวหรือพูดโท่อย่างเดียวนะแต่ถ้าไปทํางานมันก็มีสติอยู่กับการทํางา น, นก็คิดเรื่องงานนะบวกลบคูณหารเอาอานุ่นมาคูณเอาไอ้นี่มาลบมันก็ใช้ความคิดอยู่กับงานมันไม่ไปนสนใจเรื่องอย่างอื่นแต่มันก็ไม่สงบ เพราะามันใช้ความคิดอยู่นี่ไม่ใช่สติเพื่อทำให้จิตเป็ น, ปนสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิจิตที่จะเป็นอัปปนาสมาธิต้องอยู่เรื่องเดียวไม่คิดไม่ต้องคิดอะไรพุทธโธก็คิดเรื่องพุทธโธคำเดียวลมก็ดูลมอย่างเดียวอย่างนี้ถึงจะเป็นทำจิตให้เป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาได้คำถามจากคุณลู ก, การค่ะกระดูกคนตายเราควรจะนามาบังสกุลไหมเจ้าคะ ก็แล้วแต่เราเราจะไปต้มกินก็นได้ไม่มีลายห้ามใช่อยากจะทำอะไรก็ทำไปสยมันก็เรื่องของคนเนี่ยคำถามจากคุณใจเย็นค่ะทำให้หมดตายโดยไม่ได้ตั้งใจจะผิดศีลไหมครับไม่ผิดนบไม่บาปแต่เราอาจจะถูกคนอื่นมาเหยียบเราตายก็ได้ อาจจะขับรถเดินข้ามถนนเถลอไปคนขับเผลอมองไม่เห็นเราชนเราตายได<ๆ>้เขาก็ไม่บาปเหมือนกันแต่เราก็ตายเหมือนกันเหมือนกันเราไปเหยียบมดเราก็ไม่มีเจตานาที่จะไปฆ่าเขาแต่มดก็ตายต่อไปมดออมขนาด จ, จะกลับมาเกิดแล้วเป็นคนขับรถเราเดินข้ามถนนมันมองไม่เห็นเรามันก็ชนเราตายไดมันก็เหมือนกันคือมันมันไม่เป็นเวรเป็นกรรมอ่ะแต่มันเป็นเรื่องของเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของความ ตายว่ามันก็ตายเหมือนกันตายตายด้วยด้วยการมีเจตนาหรือไม่มันก็ตายเหมือนกันคนที่ตายเขาก็ไม่เขาก็ไม่อยากจะตายยังพยายามอย่าไปเอย่าพยายามฝึกสติให้มากๆเพื่อเราจะได้ไม่ไปทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนตายเพราะเราคําถามจากคุณปลาณีค่ะแม่ชอบเล่นการพนันหนูต้องส่งเงินไปให้แม่ทุกเดือนหนูจะได้บุญหรือบาปคะ หนูได้บนเนี่ยแต่หนูช่วยส่งเสริมให้แม่ไปทําไปไปเสพอบายมุกพอถ้าเกิดวันใดหนูไม่ได้ส่งเงินไปแม่อาจจะต้องไปขโมยเงินมาเล่นก็ได้วิธีดีก็อย่าส่งเงินไปส่งของไปแทนแม่ขาดอะไรขาดกว๋วยเตี๋ยวขาดมามา่าก็ส่งมาม่าไปขาดข้าวสารก็ส่งข้าวสารไปนม่จะได้ไม่เอาของที่เราส่งไปไปทํากิจกรรมที่เป็นภัยกับแม่ต่อไป คำถามจากคุณปนัดดาค่ะเบื่องานรู้สึกทำงานไม่เก่งทำยังไงดีคะก็ทําไม่เก่งสิไปฝึกงานใหม่ไปเรียนกับคนที่เขาเก่งว่าทำงางไงถึงเก่งคำถามจากคุณวิไลค่ะการเจริญปัญญาต้องออกไปพบปะพูดคุยกับคนทั่วไปเพื่อทดสอบตัวเองหรือเปล่าเจ้าคะ อ๋อไม่จําเป็นละกปัญญาของเรานี้ไม่เกี่ยวกับคนอื่นปัญญาของเราเกี่ยวกับเรากับกิเลสเท่านั้นเองเราต้องการใช้ปัญญาฆ่ากิเลสของเราฆ่าความโลภฆ่าความอยากต่างๆเราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นคําถามจากคุณฟองค่ะนั่งแล้วเห็นนิมิตเห็นครูบาอาจารย์มาตรวจสอบจะรู้ได้ยังไงว่าจริงหรือเท็จครับก็ไม่ต้องไปรู้มันไม่ต้องไปสนใจมัน พยายามอย่าให้มันเกิดแสดงว่าไม่มีสติแล้วถ้ามีนิวิต์หบ่นี้ปรากฏขึ้นเลยกลับมาที่สติดีกว่ามาพุโทโธพุโทโธต่อมาดูลมต่าคำถามจากคุณนันทนาค่ะสงสัยว่าการกระทำอย่างเดียวกันเป็นพระจะผิดศีลเป็นบาปแต่เป็นคารว่าท์ทำแล้วไม่บาปเช่นการขุดดิน แสดงว่าการบวชพระโอกาสทําบาปได้มากกวา่าใช่ไหมคะบางทีมันก็ไม่บาปอะพระขุดดินก็ไม่บาปเป็นเพียงแต่ผิดข้อห้ามเท่า น, นั้นพระมีควรและอาจจะทําบาปได้เพราะเวลาขุดดินอาจจะไปฆ่าไส้เดือนที่อยู่ในดินโยนขุดดินก็บาปเหมือนกันะถ้าเจอไส้เดือนมันก็บาปเหมือนกันบาป ค, คือการทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายหเดือดร้อนถึงกาชีวิตอย่างเนี้ก็เป็นบาป ไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นโยมถ้าทำมันก็บาปเหมือนกันเพียแต่ว่าพระนี่เป็นผู้ที่ต้องอาศัยศรัท ธ, ธาของผู้อื่นก็เลยต้องพยายามทําตัวให้ดีเพื่อผู้อื่นเขาจะได้มีศรัทธาเลี้ยงดูถ้าไปทําตัวเหมือนกับคนที่เลี้ยงดูเขาก็ไม่อยากจะมาเลี้ยงดูพระใช่ไหมถ้าเป็นถ้าไปนอนกับภรรยาได้นีเขาก็ไม่บอกเขาก็ไม่จะมาใส่บาปให้เสียเวลา าระก็เลยต้องอมีศีลที่มากกว่าารวาสเพื่อจะได้ดูแล้วรวดเรียบร้อยสวยงาม น, น่านับถือน่าเลื่อมใสเท่านั้นเองแต่บาปกจริงๆเหมือนกันบาป ก, ก็มีสี่ห้าข้อนท่าศัตรตรักทรัพประพฤติผิดประเวณีพูดปดเดือสชรายาเมาเอาจึงเดือสุราก็ไม่บาปเป็นอบายามุขดื่มแล้วมันจะทำให้ไม่มีสติไปห้ามการกระทาที่เป็นบาปได้ บาปจริงๆก็มีสี่ข้อของพระก็มีสี่ข้อที่เรียกว่าราชิกสีฆ่ามนุษย์เนี่ยแล้วก็รักทรัพย์แล้วก็ไปร่วมหลับนอนกับคนอื่นอันนี้บาปแต่ญาตโยมไม่บาปอันนี้สำหรับภาพบาปเป็นกิจกรรมที่ไปทำให้ไม่ไปไม่ถึงนิพพานเป็นกิจกรรมที่ขวางกาั้นการไปนิพพานถ้าอยากจะไปนิพพานนี้ต้องไม่เสกกรรม แล้วข้อที่สี่ก็โกหกหลอกลวงคือโกหกชาวบ้านว่าบรรลุทำท่านนั้นท่านนี้แล้วเป็นพระโสดาบันเป็นพระอาหารหันต์แล้วบางท่าที่ยังไม่เป็นอย่างนี้ก็บาปอย่างนี้ก็เป็นการโกหกหลกักลงก็เหมือนกับของญาติโยมสี่ข้อสามข้อเหมือนกันข้อที่สามญาติโยมบาป ก, ก็ตามเมื่อไปนอนกับคนอื่นถ้านอนกับคู่ครองก็ยังไม่ถือว่าบาป คำถามจากคุณพิพัทค่ะถ้าอัปนาแบบมีรู้ตัวแล้วแยกขันอันนี้เป็นสัมมาสมาธิหรือเปล่าครับก็เป็นอุเบกขาก็สัมมาสมาธิถ้าใจเฉยได้ยินเสียงก็ไม่นาคาญเห็านอะไราก็ไม่นาคาญเฉยเฉยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นอุเบกขาคํถาถามจากคุณปาณีค่ะคนที่ได้รับอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิต ดวงจิตเ ข, เขาจะไปสุขคติหรืออบายภูมิหรือล่องลอยจนกว่าจะครบอายุไขเจ้าคะของเขาเป็นตั้งแต่ก่อนตายแล้วถ้าเขาจะไปสุขคติเก็เป็นสุขคติตั้งแต่ก่อนตายอย่างที่เมื่อกี้บอกถ้าจะไปสามีไปมีชู้อย่างนี้นเขาก็เป็นเด <c oughs> เป็นเดาชะฉานแล้วเป็นเดาชะฉานก่อนตายแล้วพอตายเขาก็ไปเป็นเดาชะฉานาทันทีงั้นการเป็นของจิตนี่มันเป็นก่อนตายแล้ว่คนถามจากคุณปองค่ะ การสวดมนต์ในใจตลอดเวลาถือว่าเป็นการเจริญสติไหมครับเป็นเป็นเป็นการสู้สู้คำปฏิกรรมไม่ได้สวดมนต์นี่มันยังอยากเอยี่มันยังใช่มันคิดจะใช้ความคิดมากอยู่แต่ก็ ก, ก็ก็ดีเพราบางทีปฏิกรรมนึงไม่ไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนคำถามจากคุณพี่พัทค่ะ จะรู้กายเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณมีอยู่แต่ไม่กระทบผัสสะตัวรู้ใช่ไหมครับถ้าถ้ามีสติมีปัญญาก็จะเป็นเหมือนอน้นบาบนใบบัวอยู่ร่วมกันได้แต่ไม่ซึมเข้าหากันแต่ถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญามันก็จะดูดกันมันจะคิดว่าเป็นตัวเราของเราจะคิดว่าสัญญาเป็นเราสังขารเป็นเรา อะไรเป็นเราไปหมดแล้วพอมันเป็นแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการเราก็จะทุกข์พอเราคิดว่าเป็นของเราเราสั่งมันได้พอสั่งมันไม่ได้ก็ทุกข์เวลาเจอทุกข์กเวทนาสั่งให้มันหายมันไม่หายก็ทุกข์เวลามีสุขเวทนาแล้วสุขเวทนาหายไปก็ทุกข์เพราะสั่งไม่ให้มันหายไม่ได้แต่ถ้ามีสติปัญญาก็จะรู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกข์ขันธ์หน้าตามันเกิดมันดับ สั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ก็ปล่อยไปตามเรื่องของมันไม่ต้องไปอยากถ้าไม่ไปอยากกับมันแล้วก็จะไม่ทุกข์กับมันคําถามจากคุณกห น, นกวันค่ะเมื่อคือนนั่งอยู่ได้ยินเสียงเหมือนะระฆังดังอยู่ในหูตกใจมากออกจากสมาธิเลยเจ้าค่ะอย่างนี้เรียกไม่มีสติกํากับใช่ไหมเจ้าคะใช่ม <c oughs> ้ามีกำกับก็ให้รู้เฉยๆรู้ว่ามันเป็นตายแลกเกิด แ, แล้วก็แบบ ไม่ต้องไปสนใจให้พูดโธต่อไปให้ดูลมต่อไปคําถามจากคุณพิสารค่ะหากอยู่ในสมาธิมีสติพร้อมแล้วร่างกายดับไปจิตไปไหนครับจิตก็ไปในชั้นของสมาธินะมันก็มีรูปประฌานสี่อรูปประฌานสี่แล้วแต่ว่าสมาธินั้นอยู่ในระดับฌานระดับไหนก็ไปเป็นโทมไปแต่รูปประภมมัเนเอรูปประภมไป คำถามจากคุณยางค่ะเคยยืนลดน้ำต้นไม้คนเดียวเงียบๆผ่านไปสักกับผ่านไปสักเกือบหนึ่งชั่วโมงมีอาการลอยๆเหมือนจะวูบเช่นนี้คือจิตกำลังจะลงใช่หรือไม่เจ้าคะถ้าแบบนี้ควรจะทำอย่างไรต่อคะก็วูบแบบไหนวูบแบบสมาธิหรือวูบแบบหลับเหมือนก็วูบได้สองแบบบันทียืนแล้วมันง่วงนอนก็จะวูบหลับได้อันนี้ก็ ถ้มีสติก็แลกัดให้มือสติพุโทโธพุโทโธไปให้เดี๋ยวคํ า, าคถามอีกข้อนึงนะจิตใจน่ะคาถามจ้าคุณพีโกนค่ะนั่งสมาธิแบบขัดสมาขัด ส, สมาธิเท็จรู้สึกเจ็บปวดปล่อยจนร่างกายเหงื่อออกแล้วความเจ็บปวดก็ไม่รู้สึกร่างกายเย็นรู้สึกโล่งนี่คืออาการอะไรครับก็อาการจิตปล่อยวางความเจ็บเนี่ย ตอนต้นมันเจ็บก็ไม่ใส่สนใจมือนนั่งต่อไปพุดโธไปแล้วเดี๋ยวสักพักหนึง่งความเจ็บมันก็หายไปความเจ็บมันก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีเกิดนี่ดับแล้วใจเราก็ไม่ตปยุ่งกับมันพอมันดับใจเราก็เย็นสบายขึ้นมาเอาแค่นี้ก่อนนะวันนี้หมดเวลาพอดีก็ขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิิพจารณาไปปฏิบัติ